มี ใ, ใครอยากจะถามอะไรบ้างเขาถามได้ไหมคะได้คือตอนที่พอ่อตอนที่คุณแม่จะเสียชีวิตเนี่ยเราเคยบอกเคยบอกว่าถ้าแม่ไปเกิดจะขอตามไปเกิดทุกภพทุกชาติาอันนี้ผิดใช่ไหมะไม่ผิดหรอพูดได้แต่มันจะได้หรือเปล่าเทีนี้เกิคือเคยถามาคนบอก ว, ว่าอันนี้ทำให้เราต้องตามไนไปทำให้เราจะปฏิบัติไปไปไปนิพพานไม่ได้อ ม, ม, ม่จริงเลยไม่จริงหรอไม่จริงนะ แล้วก็ยี่บอกต้องไปที่องค์พระองค์ใหญ่คือแบบไปถนานคำพูดอะไรแบบนี้เดี๋ยวไม่งั้นนั่งปฏิปักษนาไปหายเองไม่ต้องใชหมนั่นก็อยู่ที่ความตั้งใจของเราว่ามันมากน้อยเป็นไงถ้าเราตั้งใจจะไปตามแม่หนึ่งเราจะรู้ว่าแม่อยู่ไหน <c oughs> สองเราจะไปตามยังไงหนึ่งเราถ้าเราไม่รู้แล้วสองเราไม่มี แล้วไม่นีไม่มีความสามารถที่จะไปตามมันจะไปตามได้ยลงไงนั่นมันก็เป็นความคิดไรลอยความคิดเพ้เอเจ้ <c oughs> เอไปแต่ว่า <c oughs> ไม่ไม่ทำให้ทวงให้จิตเราคือจิตเราไปขูกไว้แล้วก็เราก็จิตพราหมไม่ปฏิบัติทำไม่ดีคือเราต้องคิดตรงนั้นเลยใช่ไหมครต้องตัดใจปล่อยวางตรงนั้นไปเอ่อมันก็เมื่อมันทําไม่ได้แล้วคุณจะจไปจะไปคิดถึงมันนังไงแต่ว่าเราก็ยังสามารถปฏิบัติธรรมเพื่อนิพานได้ ก็อยู่ที่คนเ<บ>นีก็ปฏิบัติได้ตลาดเวลาไี่ว่าจะปฏิบัติไม่ปฏิบัติใจ่ังยังฝังใจว่าตายแล้วเราไปไม่ได้ก็ทํานี้อะไรแบบนีไปยึดยึดติดกับธรรว่าต้องไปทุกภพทุกชาติคืออยากไปยึดมันใช่ไ้ยมันก็อยู่ที่การกระทําของเราถ้าเราคิดแล้วเราไม่ทํามันความคิดนั้นก็ไม่มีความหมายอะไร คิดไปนิพานแต่ไม่ไม่ปฏิบัติไม่ต้องต้องไม่ไปนิพานอีกคิดมันมีคิดคิดแบบเอาจริงเอาจังหร้อคิดแบบเล่นๆแต่ตอนนั้นที่ที่กับคุณแม่คิดจริงจังคิดแตบแต่ถวายชีพตอนนี้จริงจังหรือตอนนี้ไม่แล้วตอนนี้รู้ว่าคิดรู้ว่าผิดคือไม่ก็ไม่นั่นก็อยู่ที่อยู่ที่การกระทําของเราว่าเราทําตามความคิดของเราหรือเปล่า ถ้าเราทำมันก็มันก็มัน ก, มนก็มันก็ไปตามท่าไปตามทําที่เราทำเนี่ยความคิดมันเป็นตัวเริ่มต้นแล้วก็การกระทําเป็นตัวที่จะทําให้ความคิดนั้นสําเร็จได้งั้นก็ขอให้เราดูที่การกระทำของเราเราคิดแล้วเราไม่ทำํำมันก็ ไม่เกิดผลยังคิดว่าวันนี้จะทำบุญพอถึงเวลาก็ไม่ได้ทำคิดไปก็ปล่าประโยชน์เพราะคิดแล้วมันไม่มีการกระทำที่มาสนับสนุนความคิดผลก็จะไม่เกิดผลเกิดจากการกระทำไม่ได้เกิดจากความคิดทุกคนคิดอยากจะไปนิพพานกัน แล้วก็ไปเที่ยวกันไปเล่นกันแล้วจะไปถึงนิพพานน ม, ม, มันต้องมีความคิดแล้วก็ต้องมีการกระทําตามความคิดพอถึงจะเกิดขึ้นมาความคิดมันก็สําคัญตรงที่ว่ามันคิดแล้วมันก็เป็นเหมือนกับเป็นการตั้งเป้าหมายถ้าเราไม่คิดในวันนี้ถ้าเราไม่คิดว่าจะมาที่นี่ มันก็ไม่มีเป้าหมายจะไปไหนดีวันนี้ ม, น ม, มันก็อาจจะไม่ได้ไปไหนมันอาจจะอยู่บ้านมอยู่ที่ไหนสักที่หนึ่งพราะเราไม่ได้คิดว่าจะไปไหนแต่พอเราคิดว่าจะไปไหนเราถึงเวลาก็อยู่ที่ว่าเราจะไปหรือเปล่าไปทาตามความคิดหรือเปล่าถ้าเราไปทำตามความคิดเราก็จะได้ไปถึงที่ที่เราต้องการไป แต่ถ้าเราไม่ได้คิดเราก็จะไม่ได้ไปแต่คิดแล้วอาจจะไม่ได้ไปก็แล้วคิดแล้วขี้เกียจพอถึงเวลาเวลาคิดมันง่ายแต่เวลาจะทำมันยากที่ว่าจะเดินจากบนเขานี่ลงไปที่วัดนี่จะได้ออกกาลังกายคิดได้แต่พอถึงเวลาจะเดิน เมันเดินได้สองสามเก้าไม่เอาลขึ้นรถ ด, ดีกว่านมันมันต้องมีสองส่วนประกอบกันถึงจะเกิดผลขึ้นมาได้ประการแรกก็ต้องเกิดความคิดก่อนโดยเฉพาะความคิดที่ที่จะไปในทางที่ดีถ้าไม่มีความคิดมันจะไม่ไป ส่วนใหญ่ความคิดของเรามันจะคิดไปในทางที่ไม่ดีหรือถ้าไม่มีความคิดคาการกระทามันก็มันก็จะไปของมันเพราะว่ามันติดเป็นนิสัยบางทีไม่คิดจะกินเหล้าเดี๋ยวพอเห็นขวดเหล้าขึ้นมาก็ทานกินอยู่เป็นประจํามันก็ไม่ต้องคิดทนะั้งทางดีและทางไม่ดีถ้าทางไม่ดีทางดี ไม่ได้คิดว่าจะสวดมนต์เดียวแต่พอถึงเวลาเย็นก็อยู่เฉยๆก็นั่งสวดมนต์ไปแต่ความคิดต้องมาก่อนคเดี๋ยวคิ ด, ค, ดคิดก่อนนานหรือไม่นานเพราะว่าไม่ว่าเราจะทำอะไรเราจะต้องมีความคิดก่อนก่อนที่จะลุกขึ้นได้ต้องคิดก่อนนะจะไปไหนถึงจะสั่งให้ร่างกายลุก อไม่คิดก็นั่างกายมันก็จะนั่งอยู่ตรงนี้ไปเรื่อยๆเหมือนคนตายเนี่มันไม่มีความคิดไม่มีใจคู่สัตวให้ร่างกายทําอะไรคนตายแล้วตายอยู่ตรงไหนก็นอนอยู่ตรงนั้นไม่ขยับขยื่นอยู่คนเป็นได้ยังไปไหนมาไหนได้อยู่ก็ยังมีความคิดอยู่ความคิดมาจากใจ เราจึงมีคำพูดว่าใจเป็นนายกายเป็นบ่าวใจต้องสั่งก่อนใจต้องคิดก่อนคิดแล้วก็สั่งให้ร่างกายทำตาม ท, ท, ท, ที่คิดตอนนี้คิดว่าจะมาที่นี่ใช่ไหมพอคิดแล้วก็สั่งให้ร่างกายมาที่นี่ยั้มันต้องคิดก่อนต้องมีวิธีกรรก่อน แล้วกายกรรมกับว่าต้องมีโมโนกรรมก่อมโนกรรมคือความคิดมโนแปลว่าใจกรรมทำใจ<ม>ก็คือความคิดวงแต่งตา่างๆเมื่อคิดแล้วก็สั่งให้วัจีกรมรมหรือกายกรรมดําเนินการต่อไปวัจีกรรมก็อาจจะชวนเพื่อนชวนคนนั้นคนนี้วันนี้มาที่นี่กั็นไหม ก็เนี่ก็เป็นวัีกรรมแล้วพอถึงเวลาก็ออกเดินทางกันไะก็เป็นกายกรรมกรรมทั้งสามนี่ก็นอกจะไปพร้อมๆกันโดยมีมโนกรรมเป็นหัวหน้าท่านยังบอกว่าใจเป็นใหญ่ใจเป็นประธานใจเป็นหัวหน้าเป็นผู้สั่งการ บริษัทนี่ก็ต้องมีหัวหน้าใช่เวลาประชุมกรรมการบริษัทนี่ต้องมีประธานกรรมการอ่ประธานกรรมการก็บอกว่านี้เราจะประชุมเรื่องอะไรเราจะทำอะไรต้องมีผู้สั่งการดูํามบริษัทที่มีหัวหน้าแ็านบริหารพูดผู้จัดการฝ่ายบริหาร ผู้จัดการก็จะสั่งให้ลูกน้องอเราจะทำอย่างนั้นทำอย่างนี้นะจะขายสินค้าชนิดนั้นชนิดนี้จะโฆษณาอย่างนั้นโฆษณาอย่างนี้จะจัดร้านอย่างนั้นจัดร้านอย่างนี้พอหัวหน้าสั่งแล้วลูกน้องก็ทำตามทำสั่งคมีการกระทำผลก็มีการเกิดขึ้นถ้าหัวหน้าสั่งลูกน้องไม่ทำตาม มันก็ไม่มีผลตามกรรมนี่ก็เหมือนกันกรรมแปว่าการกระทำกรรมนี้ไม่ในหมายคำว่าบาปแต่ทางภาษาไทยเรานี่บางทีเราใช้คำว่ากรรมแทนคำว่าบาปที่ทางจะเรียกว่าบุญบาปแล้วก็เรียกบุญกรรมความจริงกรรมนี่เป็นคำกลาง แปลว่าการกระทามีสามมีสามมีสามทางด้วยกันทําทางใจเรียกว่าโมนโนกรรมทําทางวาจาเรียกว่าวจีกรรมทําทางร่างกายเรียกว่ากายกรรมกายกรรมกับวจีกรรมนี้ต้องรอให้โมนโนกรรมสานการก่อน ต้องรอให้หัวหน้าสั่งงานก่อนลูกน้องถึงจะไปทําตามที่สั่งได้เพราะฉั้นตัวที่สํคาคัญที่สุดก็คือโมนโนกรรมคือความคิดเพราะว่าคิดไปแล้วมันก็จะเกิดการกระทําตามมาแล้วการกระทํานี้ก็มีสามทาง สามทิศทางคือไปทางที่ดีก็ได้คิดไปในทางที่ดีคิดไปในทางที่ไม่ดีคิดไปในทางกลางๆจะดีก็ไม่ใช่จะไม่ดีก็ไม่เชิงมีสามทางคิดไปในทางที่ดีคือคิดไปทำคิดไปทาอะไรที่ทำให้เกิดประโยชน์กับผู้อื่น เรียกว่าเป็นความคิดที่ดีทางศาสนาเราเรียกว่าบุญการทําประโยชน์ให้แก่ผู้อื่นนี่เรียกว่าบุญเช่นมาวัดแล้วก็เอาข้าวของมาให้พระเีงอันนี้ก็เป็นการทําประโยชน์ให้แก่ผู้อื่นทาความสุขให้แก่ผู้อื่นเรียกว่าบุญ าการกระทำที่ไม่ดีเรียกว่าบาปเป็นยังไงบาปก็การทำความเสียหายให้แก่ผู้อ mm ื hmm. น่นเช่นแทนที่จะมาเอาของมาท้าววายวัดมาคโมยของที่วัด mm hmm. เรียกว่าบาป mm hmm. แล้วพอทำแล้ว ม, มีผลเกิดขึ้นที่ใจทันที mm hmm. พอทำบุญรับใจเย็นสบายมีความสุขอิ่งใจสุขใจพอเราได้ทำประโยชน์ให้กับผู้ทำให้คนอื่นเขามีความสุขเราก็มีความสุขเกิดขึ้นที่ใจของเราในทางตรงกันข้ามถ้าเราไปทำความเสียหายเดือดร้อนให้กับผู้เราก็มีความไม่สบายใจ เราจะพอกการกระทําที่มีความตั้งใจนี่พูดถึงการกระทําที่มีความตั้งใจนั่งใจจะไปขโมยของนี่ถึงแม้ว่าได้ของมาแล้วจะดีใจแต่เดี๋ยวก็ต้องเสียใจนอกจากพวกที่จิตมันไดน้มั น, ม, นมันไม่เคยคิดถึงความทุกข์ยากเดือดร้อนของผู้มันก็จะไม่รู้สึกเสียใจ แต่ใจมันก็จะกังวลเมื่อไปทำอะไรไม่ดีแล้วก็ ม, มีความกังวลว่าจะถูกจับไปลงโทษมันก็ทำให้ใจไม่สบายอยู่ดีทำให้ใจทุกข์แต่ถ้าไม่มีความตั้งใจจะไปทำให้ความเสียหายเกิดขึ้นแต่มันเกิดขึ้นโดยอุบัติเหตุอันนี้มันมันก็ทำให้เราไม่สบายใจแต่ไม่สบายใจไม่เหมือนกับ ไม่สบายใจแล้วที่มีความตั้งใจนี่คือการกระทำสองทางทางที่สามเป็นการกระทำที่ไม่ใช่บุญไม่ใช่บาปรือเราทำอะไรแล้วไม่เกิดคุณไม่เกิดโทษกับผู้อื่นอันนี้ก็เป็นการกระทาชนิดที่สามเ <Okay. S 1> ช่นเราอาบน้าแต่งตัวกินอาหาร ีเป็นการกระทาที่ไม่ไปทำให้เกิดคุณเกิดโทษกับผู้เป็นการกระทำเพื่อตัวเราเองผลก็จะไม่มีความสุขหรือความทุกข์ใจรู้สึกเฉยๆอาบน้าแต่งตัวแต่งหน้าทาปาก้ารู้สึกเฉยๆไม่เหมือนกับเวลาไปทำบุญความรู้สึกที่ไดจากการทำบุญนี่มันมีความสุขกว่า เหมือนกับเวลาไปทําบาปไปยาคนหนึ่งไปทําร้ายผู้อื่นความทุกใจก็จะเกิดขึ้นมานี่คือกรรมที่เราทํากันอยู่เป็นประจำทุกๆวันอย่างใดอย่างหนึ่งในกรรมสามอย่างนี้วันนี้ได้ทำสองอย่างอย่างน้อยได้ทํากรรมที่เป็นบุญก็คือมา ทำบุญแล้วก็ทำกรรมที่ไม่ได้เป็นบุญไม่เป็นบาปอันนี้เราทำประจำกันทุกคนตื่นขึ้นมาก็้อังอาบน้ำล้างหน้าแปรงฟันแต่งเนื้อแต่งตัวรับประทานอาหารอันนี้ก็เป็นกรรมที่ไม่เป็นไม่เป็นบุญไม่เป็นบาปเป็นกรรมต่างกาไม่มีผลไม่มีผลต่อจิตใจไม่ทำให้สุขห้ืไม่ทำให้ทุกข์ ตายไปก็ไม่ได้ส่งให้ไปสวรรค์แล้วส่งให้ไปอบายแต่ถ้าเป็นบุญตายไปก็จะส่งให้ไปสวรรค์ถ้าไม่ได้ทําบาปทําบุญแล้วไม่ทําบาปตายไปจิตก็จะไปสวรรค์ถ้าอไม่ได้ทําบุญทําบาปแล้วก็ทําบาปตายไปก็ไปอบาย ถ้าทําบาปก็ไปอาบายถึงแม้ว่าจะทําบุญก็ไปอาบาย<ม>บุญไม่สามารถหยุดบาปได้<ม>นอกจากว่าถ้าบุญมีกำลังมากกว่าบาป<ม>บุญก็ยังจะออกผลก่อน<ม>บาปต้องรอให้บุญหมดกำลังก่อน<ม>ถึงจ ะ, สะแสดงผลได้ นี่คือเรื่องของความคิดเนี่ยมันเกิดจากมโนกรรมก่อนเกิดจากความคิดกับนคิดจะทำบุญคิดจะทำบาปแล้วก็ทําไปตามความคิดเนี่ยสุนัขนี่ที่อย่าไปคิดว่าไม่มีความคิดเนี่ยมันเห็นของวางอยู่นี่เดี๋ยวมันกคิดอยากจะกินละครเอาเรือใครอาหารวางไว้เนี่ยใกล้ปากหมาเดี๋ยวหมามันก็ฆ่าไป หมามันก็คิดก่อนนะว่าจะกินอาหารจานนี้แล้วพอมองซ้ายมองขวาไม่มีใครมันก็อายเลยหมาก็มีมโนกรรมมีวจีกรรมมีวกายกรรมเหมือนกันแต่วจีกรรมของมันนี่เราฟังไม่รู้เรื่อ ง, องมันก็เป็นภาษาเหมือนกันแต่ภาษาไม่ละเอียดพอจะบอกให้รู้ว่ามันชอบหรือไม่ชอบมัน หายเวลามันชอบอะไรมันก็ร้องอย่างหนึ่งเวลามันไม่ชอบอะไรมันก็ร้องอีกอย่างหนึ่งมันก็ส่งสัญญาณเหมือนกันมนุษยเราไม่มีความสามารถที่ส่งสัญญาณได้ละเอียดกว่านอกจากชอบไม่ชอบยังสามารถอส่งเรื่องราวต่างๆที่ที่ละเอียดกว่านั่เช่นเราคุยเรื่องธรรมะกันเนี่ หมาที่ฟังธรรมะไม่รู้เรื่องพูดธรรมะกันไม่ได้หมาไม่มีปัญญาที่จะใช้วาจาของมันพูดธรรมะให้กับหมาด้วยกันฟังได้ <Yeah. S 1> เพราะสติปัญญาของหมามันต่ำกว่าสติปัญญาของมนุษย์ <Yeah. S 1> สติปัญญาก็เป็นอินทรีย์ที่มีอยู่ในใจ อินทรีย์ของมนุษย์กับอินทรีย์ของเดรัจฉานนี่มันต่างกับอินทรีย์ของมนุษย์สูงกว่ามีความสามารถมากกว่าอินทรีย์ของเดราาัจฉานอินทรีย์ของเดรัจฉานมันจะรู้แค่เพียงแต่หาปะหากินหาเลี้ยงปากเลี้ยงทอ้องมันจะไม่สามารถแยกแยะความดีชั่วผิดถูกได้เหมือนกับมนุษย์เรามนุษย์เราบางคนอินทรีย์ก็ต่ำในระดับ เดรัชานก็มีพวกที่ไปติดคุกติดตารางเนี่ยแสดงว่าอินทรีย์ต่ำมากสติปัญญาต่ำไม่มีความสามารถที่จะแยกแยะผิดถูกดีชั่วได้<ม>ก็เลยเวลาคิดไปในทางที่ผิดก็หยุดไม่หยุดมันปล่อยให้เกิดการกระทาทางวาจาทางกายขึ้นมาทางวาจาก็ไปโกหกหลอกลวง มาจาก็ไปกโมยข้าวของหรือไปฆ่าก็เลยต้องไปแยกอยู่ในถูกไปแยกให้ไปอยู่ในกลมในข้อะเหมือนกับเป็นสัตว์เดรัจฉ า, านไม่ว่าร่างกายจะเป็นมนุษย์ตาใจคือสติปัญญามันเป็นสติปัญญาของสัตว์เดรัจฉ า, าน สัตว์เดรัจฉานก็ไม่มีศีลนี่ยตว์เดรัจฉานไม่รู้จักคําว่าศีลรักษาศีลไม่เป็นไม่รู้ว่าจะไม่รู้ว่าศีลเป็นอะไรมีไว้เพื่ออะไรมนุษย์ที่ไม่รู้จกักศีลก็เหมือนกับสัตว์เดรัจฉานไม่รู้ว่ า, สาสรักษาศีลไปทำไมก็ไม่ต่างจากสัตว์เดรัจฉานถึงแม้ว่าใจจะเป็นมนุษย์และร่างกายจะเป็นมนุษย์ แต่จใจเป็นสัตว์เดรัจฉานแสดงว่ามีอินทรีย์ต่ำแรกก่อนคงมาจากการเป็นสัตว์เดรัจฉานพอได้มาเกิดเป็นมนุษย์อย่างไม่ได้รับการพัฒนาไม่มีใคร ส, สรั่ง ส, สอนสั่งสอนเรื่องศีลธรรมกาจะไม่รู้ผิดถูกดีชั่ว บางคนมีคนสั่งสอนแล้วก็ไม่เชื่อก็มีสั่งสอนก็อย่าทบาบาปก็ไม่เชื่อก็ยังอย่าทบาปอยู่ตรง น, นี้ก็เป็นพวกที่มีสันดานของเดรัจฉานแม้จะสอนจะบอกแล้วแต่ก็ยังไม่ทําตามยังชอบที่จะทําบาปอยู่ <Yeah. S 2> ความคิดมันอยู่ที่ใจเราส่วนร่างกายนี้มันเป็นเพียงแต่ผู้รับคาสั่งใจไปเกิดที่ไหนได้ร่างกายอันใหม่แต่ใจก็จะคิดเหมือนเดิมเคยคิดจะทำบาป ก, ก็จะทำบาตต่อไปเช่น <Yeah. S 2> <Yeah. S 1> คนเคยคิดค่าตัวตาย <Yeah. S 1> ก็จะคิดค่าตัวตายไปเรื่อยๆ เ, <Yeah. S 1> เวลาเจอ ปัญหาแก้ไม่ได้ก็ฆ่าตัวตายมันก็จะติดเป็นนิสัยไปคนที่แก้ปัญหาด้วยการดื่มชรกาก็จะแก้ปัญหาด้วยการดื่มชรกาไปคนที่แก้ปัญหาด้วยการโกหกก็โกหกไปคนที่แก้ปัญหาด้วยการลักทรัพย์ก็ลักทรัพย์ไปคนที่แก้ปัญหาด้วยการฆ่าก็ฆ่าไปตามนิสัย อันนี้มันไม่ได้เปลี่ยนเวลาร่างกายตายไปใจไม่ได้ใจยังเหมือนเดิมอยู่พอไปได้ร่างกายอันใหม่ก็จะทําเหมือนเดิมเหมือนกับคนขับรถนี่ขับรถคันนี้พอคันนี้พังเปลี่ยนคันใหม่พอได้คันใหม่มาก็ทําแบบเดิมเองถ้าเคยขับแบบสวิตชสว้ามันก็จะขับสวิตชว้ามต่อไปปาดหน้าปาดหลัง ซ้ายขวาแซงซ้ายแซงขวาไปพวกที่ขับอยากสุภาพเรียบร้อยเขาเปลี่ยนรถกิจกันเขาก็ขับแบบเดิมอยู่รถไม่ได้เป็นตัวที่ทำให้เปลี่ยนรถเปลี่ยนแต่ใจไม่เปลี่ยนนั่งกายเปลี่ยนแต่ใจไม่เปลี่ยนเนี่ยนำมาทำอะรทุกวนันนี้สิ่งที่เราชอบนี่มีใครสอนให้เราชอบอ่ะ สิ่งที่เราไม่ชอบมีกครสอนหรือเปล่ากายสอนที่เราใช้มือขวาหรือมือซ้ายหรือเปล่ า, าทำไมไม่ใช้มือขวากันทุกคนทําไมบางคนขวามือคนซ้ายเพราะถนัดเคยทํามาไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นการกระทำที่ เป็นตัวการตัวตัว ก, วกระทำที่แท้จริงก็คือใจร่างกายเป็นเพียงผู้ตอบสนองคำสั่งของใจและผู้ที่รับผลจริงๆก็คือใจคือความสุขความทุกข์ที่เกิดขึ้นในใจผลที่ได้เกิดจากร่างกายนี้มันเป็นผลผลข้างเคียงเช่นไป ทำร้ า, ายผู้อื่เขาก็กลับมาทำร้ า, ายร่างกายของเราแต่ผู้ที่ทุกข์มากกว่าร่างกายก็คือใจเวลาครับใจทุกถูกขใครทำล้ า, ลายในีใจมันจะทุกข์มากจะโกรธจะอาฆาตพยาบามบนะังคับร่างกายมันเจ็บปับนะ๊บแล้วมันก็หายถูกเตะปัป๊บเดียวมันก็หายมันก็หายเจ็บแต่พางโกรธเกลียดเครียดแค้นอาฆาตพยายามบังคมันไม่หายไปกับความเจ็บของร่างกาย ความทุกข์ทางใจมันไม่หายไปมันจะหายก็แต่เมื่อมันได้ระบายเมื่อขาเตะเราเราก็ต้องไปตีเขาความความความทุกข์ใจก็จะหายไปแต่ความทุกข์ใจใหม่ก็โผล่ขึ้นไปตีเขาแล้วก็ทีนี้ก็ต้องมากังวลว่าเดี๋ยวก็จะตามมาตีเราอีกนะเรื่อการทำบานี้มันมีแต่จะทําให้ใจทุกข์ใจร้อน การทำบุญนี้มีจะทำให้ใจเย็นใจสบายทุกครั้งที่ทำบุญนี้ใจทุกข์ร้อนไม่ทุกข์ร้อนทำบุญนล้วใจสบายทำบุญนี้ก็ทำกับใครก็ได้ไม่ต้องทำกับวัดกับพระอย่างเดียวทำกับสุนัข ก, ก็ใจก็สุขเห็นสุนัขจอมจัดมาไม่มีข้าวกินก็หาข้าวให้มันกิน เห็นมันกินแล้มันอิ่มมัก็มีความสุขใจในตัวสุนัข ก, ก็ได้คนก็ได้ถ้าเราทําประโยชน์ให้กับเขาแล้วมันก็จะทําให้เราเกิดความสุขใจอิ่มใจขึ้นมาถ้าเราทําบ่อยๆมันก็จะติดเป็นนิสัยไปคนที่มีนิสัยทําบุญก็จะทําบุญคนที่มีนิสัยทายําทบาปก็จะทําบาปเห็นสุนัข มาแทนที่จะหาห า, หานให้มันกินก็หาไม้มาตีมันได้เหนือนคนที่ไม่มีนิสัยที่จะช่วยเหลือผู้อนก็จะไม่ช่วยเหลือผู้อื่นแต่นิสัยนี้เปลี่ยนได้ถ้าเรารู้ว่าทําอย่างนี้แล้วดีนะทําอย่างนี้แล้วไม่ดีถ้าเราเคยทําแบบที่ไม่ดีเราก็เลิกทําเสีย เรามาทําสิ่งที่ดีเราจะรู้ได้ว่าอะไรดีไม่ดีก็ต้องมีศาสนาศาสนาก็มีหลายหลายระดับของความรู้ความสามารถศาสนากส็สอนให้รู้จักผิดถูกมีชั่วได้วยบางศาสนานี้สอนให้รู้มากกว่านั้นเช่นศาสนาพุทนี้นอกจากสอนให้รู้จัก ว่าอะไรผิดอะไรถูกอะไรดีอะไรชั่วแล้วยังสอนว่าอะไรทำให้เราต้องมาเกิดอยู่เรื่อยๆทำให้เราต้องมาแก่มาเจ็บมาตายอยู่เรื่อยๆแล้วอะไรจะทำให้เราอยู่ไม่ต้องมาเกิดมาแก่มาเจ็บมาตายอันนี้มีแต่ศาสนาพุทธทนั้นที่จะรู้เรื่องของการเกิดแก่เจ็บตายเรื่องของการเวียนว่ายตายเกิด เรื่องของการยุดติการเวียนว่ายตายเกิดาศาสนาเอื่นก็รู้เพียงแต่ว่าทำบุญแล้วก็มีความสุขใจตายไปก็ไปสวรรค์ทาบาปก็จะมีทุกข์ใจตายไปก็ไปนรกตามศาสนาก็สอนว่านั้นอยากที่ตายไปแล้วเดี๋ยวพระเจ้าผู้สร้างโลกจะส่งลูกมารับไปสวรรค์ตอนนี้ให้รออยู่ในสุสานก่อน เ, เดียวประชาจย์จะส่งลูกมารับไปขึ้นไปบนสวรรค์ก็ เ, เชื่อกันอย่างนั้นนะศาสนาศาสนาพูดนี้สอนว่านรกสวรรค์เกิดขึ้น ท, ทันทีไม่ต้องมารอให้ใครมารับมาส่งทำบาปั๊ ก, ก็เป็นนรกขึ้นมาทันทีในใจทำบุญปั๊ ก, ก็เป็นสวรรค์ขึ้นมาทันทีภายในใจ เวลาไม่มีร่างกายถ้าเป็นนรกมันก็เป็นนรกไปเรื่อยๆจนกว่าบาปจะหมดถึงเมื่อกลับมาเป็นมนุษย์ใหม่ถ้าเป็นบุญมันก็จะเป็นสวรรค์ไปเรื่อยๆสวรรค์ไม่ได้เป็นสถานที่เหมือนกรุงเทพเชียงใหม่ภูเก็ตเนี่ยสวรรค์มันเป็นความรู้สึกในใจเราเวลาเราเย็นเราสุขเราสบายเนี่ยเรา ใจเราเป็นสวรรคเวลาที่เราทุกข์เราวุ่นวายใจเนี่ยใจเราเป็นเรากเป็ น, นอบายอันนี้ไม่มีใครม า, าสร้างให้กับเรามันมันเป็นโดยธรรมชาติของใจมันเป็นอย่างนั้นใจทำอะไรแล้วมันจะมีผลกลับมาใจทำได้สามทาง ทำบุญทำบาปแล้วก็ทำแบบไม่ไม่ได้ไม่ป ไ, ไ, ไ, ไ, ไม่เป็นบุญไม่เป็นบาปความรู้สึกก็จะไม่เหมือนกันทำบุญใจก็จะเย็นทำบาปใจก็จะร้อนไม่ทำบุญไม่ทำบาปใจก็กลางๆเหมือนกับน้ำที่ไม่ร้อนน้ำที่ไม่เย็นนี่ก็คือเรื่องของ ใจผู้เป็นผู้สั่งการให้มีการกระทาต่างๆถึงแม้ตอนที่ไม่มีร่างกายใจก็ยังมีคำสั่งได้<ม>พวกเทวดาเขายังติดต่อกันไดน้ยังคุยกันได้<ม>พระพุทธเจ้าติดต่อกับเทวดาไดา้คุยกับเทวดาได้<ม><ม>คุยกับสัตว์ชนิดอื่นก็ไดน้นอกจากเทวดา พวกเปลดพวกผีก็คุยได้ถ้าติดต่อกับเขาได้ก็คุยกับเขาได้เพราะเขาก็ยังมีใจที่คิดอยู่นี่ก็พูดเรื่องของธรรมชาติของใจให้เรารูว่าใจตัวนี้แหละมันไม่มีวันตายมันไม่มีพระพุทธเจ้าพยายาม ย้อนอดีตไปดูว่าใจนี้มีจุดเริ่มต้นที่ไหนเกิดเมื่อไหร่ย้อนไปเท่าไหร่ก็ไม่เจอจุดเริ่มต้นมันมนีของมันอยู่นี่มาตลอดเหมือนความว่างเนี่ยมันมีของมันอยู่ตลอดูด้จากความว่างไนหะความว่างนี่มันเกิดขึ้นมาที่เมื่อไหร่ไม่รู้เอยอวกาศเนี่ยที่อยู่รอบตัวเราเนี่ยคือความว่าง สิ่งที่เราควรจะรู้ก็อยู่ที่ว่าใจเราคิดไปในทางไหนส่วนเรื่องอื่นไม่สำคัญเรื่องว่าจิตมาเกิดมาได้เมื่อไหร่มาจากที่ไหนไม่อยากไปเสียเวลาค้นให้มันเสียเวลามันไม่มีความสำคัญความสำคัญอยู่ที่ว่าเราคิดไปในทางไหนให้ใจคิดไปในทางไหนปล่อยให้ใจคิดไปในทางไหน ถ้าคิดไปในทางบุญก็จะนำความสุขมาให้ถ้าคิดไปในทางบาปก็จะนำความทุกข์มาให้ถ้ายังคิดไปกับความอยากอยู่ก็จะพาให้ไปเกิดเวียนว่ายตายเกิดอยู่เรื่อยๆถ้าไม่อยากจะไปเวียนว่ายตายเกิดก็ต้องหยุดคิดไปทำไปทาตามความอยากต่างๆนี่คือสิ่งที่เราควรที่จะ พุ่งเป้าไปคือการควบคุมความคิดของใจใจตอนนี้เป็นเหมือนรถที่วิ่งโดยไม่มีคนขับมันก็ไปตามถนนบ้างตามอะไรบ้างแล้วแต่มีอะไรที่จะผลักให้มันไปทางไหนมันก็ไปทางนั้นใจของมนุษย์เราส่วนใหญ่ก็ถูกอารมณ์ขับเคลื่อน แล้วแต่อารมณ์วันไหนอารมณ์ดีก็ทําดีวันไหนอารมณ์ไม่ดีก็ทําไม่ดีวันไหนอารมณ์เฉยๆก็ไม่ได้ทดําดีไม่ได้ทําไม่ดีมันยังไม่มีการอไม่มีผู้มาขับถ้าเราอยากจะให้รถนี้มีวิ่งไปในทางที่ดีไม่มีอุบัติเหตุ ไม่ตกถนนไม่แหกโค้งก็ต้องมีคนขับคนขับก็ต้องเป็นคนขับที่ดีถ้าคนขับไม่ดีก็แหกโค้งคนเมาเหล้าคนไม่มีปัญญามาถึงสี่แยกไยแดงไม่รู้ว่าไยแดงจะต้องจอดก็วิ่งต่อไปจะต้องไปชนกับรถอีกที่เขาวิ่งมาเส้นอีกทาง งั้เราต้องมาสอนใจมาควบคุมใจที่เป็นเหมือนร้โยนที่พาเราไปไหนมาไหนส่วนใหญ่ทอ น, นี้มันพาเราไปเว็นว่าทตายเกิดเกิดไปเกิดสวรรค์บ้างไปเกิดในบายบ้างเพราะการกระทาของเราเราไม่แยกแยะเราปล่อยให้มันทำตามอารมณ์เวลามีอารมณ์จะทำบาป ก, ก็ทำบาก เวลามียนมจะทำบุญก็ทำบุญหลังก็เลยพาให้เราไปทิศ ต, ต่างๆบางทีก็ไปเป็นเดลรลัจฉานบางทีก็ไปเป็นเปรตบางทีก็ไปเป็นนสุลกกายบางทีก็ไปตกนรกบางทีก็ไปสวรรค์เราก็กลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่แล้วก็มาทำบุญทำบาปใหม่ จนกว่าเราจะได้มาเจอพระพุทธศาสนาที่จะมาสอนให้เรารู้จักวิธีขับใจเราให้ไปสู่นิพพานไปสู่ที่ไปสู่บ้านที่อยู่ที่แท้จริงของเราบ้านที่มีแต่ความสุขบ้านที่ไม่มีความทุกข์บ้านที่ไม่มีความแก่ความเจ็บความตาย อนนี้ส่วนใหญ่เราจะได้บ้านที่มีความแก่ความเจ็บความตายกลับมาเกิดทีไรก็เจอความแก่ความเจ็บความตายทุกครั้งไปถ้าเรามาเจอพระพุทธศาสนาท่านก็จะสอนให้เราไปถึงบ้านที่ไม่มีความแก่ความเจ็บความตายการที่จะไม่ไปบ้านที่ไม่มีความแก่ความเจ็บความตายก็ต้องผ่านสวรรค์ชั้นต่างๆบ้าน เาไปคนลทิศกับนบลกทางกับอบายน้ำลกเหมือนเหมือนอยู่ภาคใต้สมมติสวรรค์มันอยู่ภาคเหนือนิพานอยู่ภาคเหนือนี่นการที่เราจะไปนิพานเราก็ต้องตั้งเข็มทิศไปที่ทิศเหนือแล้วก็วิ่งไปตามเข็มทิศนัตั้ง G.P.S ว่าไปทิศเหนือเราจะไม่ไปทิศใต้ ที่ใตก็คือเราไม่ทําบาปถ้าเราไม่ทําบาปเราก็จะไม่ไปทํานั้นเราจะทําบุญทําบุญแล้วเราก็จะมากําจัดความอยากหยุดความอยากหยุดความคิดที่จะคิดไปในทางความอยากด้วยการใช้สติใช้ปัญญาใช้สี ีนี่ก็เป็นเหมือนกับเป็นตัวที่จะกันไม่ให้ไปทำบาปล้วก็ให้เรามาใช้สติปัญญามาทำใจให้สงบ ห, หยุดความคิดเริมต้นก็หยุดหมดเลยหยุดทั้งความคิดที่ดีและไม่ดีเวลานั่งสมาธินี่หยุดหมดใช้พุโทโธพุโทโธอย่างเดียวความคิดที่ดีก็ไม่มีความคิดที่ไม่ดีก็ไม่มีเพราะต้องหยุดใั้นหมด พอเราหยุดความคิดที่มันหยุดหมดแล้วพอหยุดความคิดทั้งหมดได้แล้วขั้นต่อไปก็มาแยกแยะความคิดไหนดีก็คิดไปคิดได้ความคิดไหนไม่ดีก็ไม่ให้คิดนี่เป็นวิธีการที่จะทำให้ไปถึงพระนิพพานไปถึงบ้านที่ ที่มีแต่ความสุขบ้านที่ถาวรบ้านที่ไม่มีความแก่ความเจ็บความตายอันนี้จะมีผู้นำทางมีแผนที่ก็ต้องเจอพระพุทธ ศ, ศาสนาเจอพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์องค์ใดองค์หนึ่งเจอพระพุทธเจ้าก็ได้ตาม น, นี้ไม่มีพระพุทธเจ้าก็เจอพระธรรมการสอนก็ได้ พระธรรมคาสอนนี่ก็เป็นตัวแทนพระพุทธเจ้าเจอพระธรรมคาสอนก็เหมือนกับได้เจอพระพุทธเจ้าเจอพระพุทธรูปนี้ไม่ได้เจอพระพุทธเจ้าเพราะพระพุทธรูปพูดไม่ได้แต่ถ้าเจอพระธรรมคาสอนก็เหมือนได้เจอพระพุทธเจ้าเพราะพระพุทธเจ้าก็จะพูดตามพระธรรมคำสอนพระธรรมคาสอนก็เป็นคําคําพูดของพระพุทธเจ้าที่มีคน จดจำเอาไว้แล้วก็เอามาถ่ายทอดเนี่ยได้เจอพระธรรมคําสอนก็เหมือนกับได้เจอพระพุทธเจ้าได้เจอพระพุทธรูปก็เหมือนกับได้เจอตุกกต๊กตาตุ๊กตามันพูดไม่ได้มันทําอะไรไม่ได้การมีพระพุทธรูปหรือไม่มีพระพุทธรูปตามความเป็นจริงแล้วมีก็ได้ไม่มีก็ได้ พระพุทธเจ้าไม่อยากให้มีเพราะไม่เป็นประโยชน์เพราะพระพุทธรูปไม่เป็นประโยชน์อยากให้มีก็ทำคำสอนมากกว่าอยากให้มีการฟังเทศฟังธรรมอยากให้มีการแสดงธรรมแต่ชาวพุทธเรากับชอบพระพุทธรูปไม่ก็อชอบฟังเทศฟังธรรมไปวัดไปกราบพระพุทธรูปไม่มีใครไปฟังเทศฟังธรรม ไปขอหวยกันขอลูกกันของานกันใครไม่มีอะไรก็ไปขอพระพุทธรูป ก, กันแล้วมันได้ปะถ้ามันได้ก็แสดงว่ามันได้อยู่แล้วจะขอหรือไม่ขอถ้ามันไม่ได้ก็เช่นเดียวกันจะขอหรือไม่ขอมันก็ไม่ได้เหมือนกันเพราะพระพุทธรูปไม่มีอำนาจที่จะไปทาให้เราได้สิ่งที่เราอยากได้แต่เรากลับไปเชื่อว่าท่านมีอำนาจ ขอแล้วขอกับพระพุทธรูปล้วได้ถ้าขอกับตัวเองเรไม่ได้ตัวเองไม่ศักดิ์สิทธิ์ไม่เหมือนพระพุทธรูปพระพุทธรูปเลยการเป็นสินค้าขึ้นมามีคนผลิตพ ร, พระพุทธรูปมาขายกันเยอะแยะมีคนซื้อพระพุทธรูปกันนี่เป็นความ หลงทางถ้าไปยึดติดกับพระพุทธลูกก็ไม่มีวันที่จะไปถึงนิพพานได้แต่ไปนิพพานต้องยึดติดกับพระธรรมคำสอนพระธรรมคำสอนเป็น GPS เข้าใจไหมพอตั้ง GPS ปั๊มเดียวพระธรรมคำสอนก็พาเราไปถึงจุดหมายปลายทางได้นอกจากพระธรรมคาสอนแล้วก็ยังมีภาษาวก ที่สามารถที่จะสอนเหมือนกับพระพุทธเจ้าสอนแล้งั้นถ้าไม่ได้เจอพระพุทธเจ้าก็ยังไม่ไม่เสียหายถ้ายังมีพระธรรมอยู่มีคำสอนอยู่หรือมีภาษาโลกอยู่ภาษาวกก็จะสอนพระธรรมเอาพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้ามาสอนคำสอนพระเจ้ามีอะไรก็สามข้อใหญ่ใหญ่ทำบุญละบาป กรรมจับความอยากต่างๆให้หมดไปจากใจชำระใจให้สะอาดตัวที่ทำให้ใจไม่สะอาดก็คือปิเลตตันหาความโลภความอยากต่างๆพอกรรมจับนันได้ใจก็ไปถึงนิพพานแต่ก่อนจะกรรมจับได้ต้องไม่ทำบาปก่อนถ้าทําบาปแล้วจะไม่มีเวลามาชำระทําบาปแล้วก็จะต้องไปเกิดทุกข์ิดตาราง ไปมีคดีความต่างๆเวลาที่จะมาชำระใจก็จะไม่มีนั้นต้องไม่ทำบาปต้องมีศีลบุญก็ ก, ก็ถ้ามีเงินทองข้าวของอะไรก็ทำไปไม่ต้องเก็บมาไว้เพราะไม่ต้องใช้มันเวลาชำระใจนี้ไม่ต้องใช้เงินทอง ถ้าใช้เงินทองนี่มันกับไม่ได้เป็นการชำระใจมันเป็นกับกับเป็นการทำให้ใจมีกิเลสมากขึ้นเพราะเวลาเราใช้เงินนี่เรามักจะใช้ตามความอยากกันอยากได้นู่อยางได้นี่ก็ซื้อกันแทนที่จะมาชำระให้ใจสะอาดกับทำให้มันสกปรปกมากขึ้นด้วยเงินทองเราเลยต้องทำบุญเอาเงินไปทำบุญนีน่เป็นการชำระใจ พอชาระาความอยากอยากจะไปเที่ยวเอาเงินที่อยากไปเที่ยวนี้ไปทาบุญความอยากไปเที่ยวก็หมดไปน้อยลงไปนี่คือหน้าที่ของการทำบุญมาช่วยกําจัดความอยากถ้าเรามีเงินอยู่ถ้ามีเงินแล้วมันมันจะเป็นเป็นเป้าของของความอยากความอยากมันจะมารบ ก, กวนใจให้ hey, ออกไปซื้อนีซอน่ซื้อนี่ให้ไปเที่ยวที่นั่นเที่ยวที่นี่น ก็ต้องดัดสันดาลมนเอาไปทําบุญเลยมันอยากได้นะเพื่อมันอยากใช้นะักก็เอาไปทําบุญไปนะคพอไม่มีเงินแล้วก็สบายจะได้มีเวลาไปอหยุดความอยากได้อยากเต็มที่ไปนั่งสมาธิทําใจให้สงบก็จะหยุดความอยากได้แต่สมาธินี่มันหยุดชั่วคราวมัน เป็นเหมือนเบรครถมันยังไม่ได้ดับเครื่องรถยังถ้าถอดเบรคออกมาเมื่อไหร่รถยังวิ่งได้รถที่มีเกียร์ออโต้เนี่ยนะถ้าเหยียบเบรมันก็หยุดพอปล่อยเบรคมันก็ยังวิ่งอยู่ถ้าอยากจะให้มันหยุดก็ต้องเปลี่ยนเกียร์ให้มันเข้าไปเกียร์เกียร์พาร์คเกียร์อะไรมันก็วิ่งไม่ได้นั้นสมาี่นี้เป็นเพียงแต่เบรคไว้ ถ้าอยากจะให้มันหยุดอย่างเต็มที่ก็ต้องใช้ปัญญาปัญญาก็จะเปลี่ยนเปลี่ยอยากดีมาเป็นพีแล้วก็เปิดกุญแจเลยดับเครื่องเลยนี่รถเคยความอยากก็จะวิ่งไม่ได้เลยปัญญาจะสอนว่าการที่ปล่อยให้รถมันวิ่งเนยมันเหนื่อยคนขับไม่ได้พักผ่อนหลับนอนถ้าอยากจะพักผ่อนหลับนอนก็ต้องหยุดเครื่อง เปลี่ยนเกียรจอดรถหยุดความอยากความหมายเกิด อ, อย่างนี้ความอยากทำให้ใจเรานี่มันเหนื่อยไม่ใช่นะเราหามาอยู่เรื่อยๆหามาได้มากหามาได้น้อยก็ไม่อิ่งไม่พออยากจะได้มากขึ้นไปเรื่อยๆแล้วเวลาไม่ได้ก็เสียใจเวลาได้มาแล้วหัดไปก็เสียใจมีแต่ความทุกข์มีแต่ความเหน็ดเหนื่อยเมือล้ สูอย่าไปขับรถ ด, ดีกว่าจอดรถจะได้นอนสบายถ้านะง่วงนอ น, นก็จอดรถข้ามทางแล้วก็นอนสบายนะดีกว่าขับไปสับประบอกไปแล้วเดี๋ยวก็ไปชนกันอีกนชีวิตเราเนี่ยมันไม่รู้จักหยุดรถกันไม่รู้จักหยุดใจหยุดความอยากกันปล่อยให้ความอยากมันดันเราไปดันเราไปพบแต่เรื่องพบแต่ปัญหาไม่มีวันจบสิ้นน หายเราไปเกิดไปแก่ไปเจ็บไปตายอยู่เรื่อยๆความสุขได้ก็นิดเล็กน้อยๆได้ตอนใหม่ๆเวลาอยากได้อะไรพอได้แล้วก็ดีใจเดี๋ยวๆแล้วเดี๋ยวก็หายไปละความดีใจต้องหาใหม่นี่คือปัญญาถ้าเห็นว่าการปล่อยให้ใจเราไปทาตามความอยากมันก็ จะทําให้เราต้องวุ่นวายไปไม่รู้จักจบจากสิ่งจะต้องไปเจอปัญหาไปเจอทุกข์ต่างๆไม่ไม่มีวันสิ้นสุดต้องไปเจอความแก่ความเจ็บความตายอยู่เรื่อยๆพอจะต้องมีร่างกายถึงจะทําตามความอยากได้อยากดูก็ต้องมีตาอยากฟังก็ต้องมีหูอยากริ้มรสก็ต้องมีลิ้นอยากดมกลิ่นก็ต้องมีจมูก อยากจะสัมผัสอะไรต่างๆก็ต้องมีร่างกายเย็นความเย็นความร้อนความนุ่มความแข็งก็ต้องมีร่างกายอยากต้องมีร่างกายก็ต้องมีการเกิดพอมีร่างกายแล้วก็ต้องมีการแก่การเจ็บการตายตามเพราะความอยากนี่คือการใช้ปัญญาสะพันใจให้เห็น ถึงเหตุผลว่าทําไมเราต้องเลิอกอยากถ้าเราไม่ทำตามความอย่ากเราเราก็จะไม่ต้องดิตามความอยาเราก็ไม่ต้องไป เ, เวรล่าตายเกิดเป็นต่ไปเราก็จะอยู่บ้านที่ถาวรบ้านที่ไม่มีการเกิดแก่ชีวิตตายคือนิพพานคือใจนี่แหละใจที่เป็นใจที่ ไม่มีความอยากไม่มีความโลภไม่มีความทุกข์ไม่มีความต้องการอะไรก็รมีความสุขสมบูรณ์อยู่ในตัวของมันอยู่แล้วอันนี้ก็จะเป็นเป้าหมายที่ชาวพุทธเราควรจะตั้งเป้ากันแต่ตั้งแล้วไม่ใช่หมายคำว่าตั้งแล้วจะได้คลใครๆก็ตั้งได้ตั้งแล้วมันต้องทำ เวลาตั้งมันไม่ยากนะตั้งนะแต่ตั้งแล้วทำตามที่ใจตั้งนี่มันยากนะพอเวลาจะมาปฏิบัติศีลแต่ละครั้งนี่เลยนะมันมันถือศีล แ, แปดแค่อาทิตย์ละวันนี้ก็จะเป็นจะตายแนละ้วนั่นภาษาอะไรต้องมาถือศีลแปดตลอดชีวิตเอ น, น แต่ก็ต้องตั้งเป้าหมายไว้ก่อนถ้าไม่ตั้งเลงมันก็ไปได้วยเทย้์ใหญ่พอไม่ตั้งเป้าว่าจ ะ, ะรักษาศีลวันพระพอถึงวันพระก็ไม่รักษาแต่ถ้าตั้งเป้าเนี้ยังมีโอกาสพอถึงวันพระแนละ้วต้องสู้กันนะสิวัดดวงกันวนะความตั้งใจกับความอยากอันไหนมันจะชนะถ้าความตั้งใจมีกําลังมากกว่าความอยากก็จะแพ้ ความอยากมันจะไม่ยอมให้เราถือศีลกันความอยากมันอยากจะให้เราไปดูหนังฟังเพลงกันอยากให้เราไปนอนกับแฟนอยากให้เราไปกินอาหารเย็นกันอันนี้ถ้าไม่ตั้งเป้าเลยมันก็เลยสบายนี่คู่ต่อสู้ความอยากก็เป็นแชมป์อยู่เรื่อยๆในสีชัยเกณฑนี่หมาว่ามีคนจะมาอมาท้าชิงแล้ว มุ่งชนะไปเสร็จในใหม่นี่เขาจะมามีคู่ชกตามมาแล้วถ้าไม่มีคู่ชกก็เป็นแชมป์ไปตลอดใช่ไหมแต่ถ้ามีคู่ชกก็ไม่แน่เสียเหนือเกิดเขาเขาฝีมือดีกว่าก็ก็ตกแชมป์ได้ดั้นในความอยากตอนนี้มันเป็นแชมป์นในหัวใจเราดีกว่าเราต้องมาหาคู่ต่อสู้สู้กับมันคู่ต่อสู้ สู้กับแชมป์ก็คือสิงห์สิแปดวันพราเอาสิงหแปดกับกู้ต่อสู้คนที่สองก็คือสมาธิกู้ต่อสู้คนที่สามก็คือปัญญาหลังคนนี้แหละที่จะเป็นผู้คว่ำแชมป์แชมป์มคือตัมหาความอยากที่คลองคองใจเรามาไม่รู้จักนานทัท้งทลายสามารถโค่นมันได้คนที่โค่น ตอนหาความอยากได้คนแรกก็คือพระพุทธเจ้าของเราพาแชมมาได้พาแชมจากตัมหาความอยากเอาใจที่ร้อนเอาใจที่ทุกมาทำมาทำให้เป็นใจที่เย็นที่สงบที่สบายถ้าเกิดจากความตั้งใจของพระพุทธเจ้าต้องคิดกับพระพุทธเจ้าคิดอะไรก็คิดว่าไม่อยากจะกลับมาเกิดอีกแล้วไม่อยากจะมาแก่มาเจ็บมาตาย เห็นเห็นนักบวชก็เลยคิดจะไปบวชเขามันต้องมีความคิดก่อนพอคิดแล้วพอถึงเวลาก็ไปเลยพอพระแม่เสียศีลอกลูกมากก็บอกอยู่ไม่ได้นะอยู่ก็เหนียวก็เติดลูกอึ่งห่วงลูกอีกงก็จะไปไม่ได้ก็เลยไปคืนนั้นเลยคืนที่ได้ถาวว่าพระม่เสียศีคอดพระราโชรส ตั้งชื่อให้ลูกก่อนแต่ว่าบวกภาษาบางเรงเรียกว่าลาหุ่นลาหุแ่แปลว่าบ่วงลูกชายาก็เลยตั้งชื่อว่าลาหุ่เพราะเป็นคำพูดของพ่อก่อนที่จะออกจากวังไปมีคนมาแจ้งให้ทราบว่าผ้าเหาสีออกลูกแล้วพระก็จะรา์ปูกทางบ่วงลาหุ่บ่วงมาแล้ว แใช่ไหนบ่วงเข้าปะเรามีสองบวงนี่แต่ใจเมื่อวานนี้คนไม่มีบวงกับอยากจะได้บวงมาขอขอลูกพมไม่มีบวงมันดีแล้วมันไม่มีบ่วงรัดคอจะมาบวงมารัดคอทําไมเห็นก็มีลูกแล้วก็มีความสุขกันอยากจะมีความสุขเหมือนกับเขาบ้างไม่เห็นตอนที่มันทุกข์ ความเรื่องของใจเวลามันหลงมันเห็นผิดเป็นชอบเห็นตรงจากเป็นดอกบวกัวเห็นทุกข์เป็นสุขเห็นว่าลูกนี่เป็นสุขคนหนึ่งก็มีลูกแล้วก็ารู้สึก็มีการสุขกันก็อยากจะมีลูกเหมือนกันแต่ไม่รู้ไม่เห็นตอนที่เขาทุกข์กับลูกตอนเคยเด็กๆ ก, ก, กินเดิมปวดท้องฉี่ปวดท้องเยี่ยวมันก็ร้อนขึ้นมา นอนอยู่ดีๆก็ต้องเตลขึ้นมานี่แต่พาดละนี่แต่บวกพระพุทธเจ้าก็เลยหลกไม่เอาและ้ะชีวิตแบบนี้ต้องการอิสระจากการเกิดแก่เจ็บตาต้องไปเป็นนักบวชท่านก็เกิดคาตั้งใจพอถึงเวลาที่จะต้องทำตาม ท, ที่คิดก็ไปเลยไม่เปลี่ยนใจ บางคนคิดจะบวชคิดจะบวชพอถึงเวลาเข้าพรรษาเปลี่ยนใจซะละ้ไม่บวชแล้วคิดไปก็ป่วยการคิดแบบนี้ก็ป่วยการคิดแล้วไม่สามารถนำไปสู่ความสำเร็จได้ดงั้นโยมไม่ต้องกั ง, งวล น, นะที่ว่าโยมคิดว่าจะไปตามแม่แล้วโยมเปลี่ยนใจเมื่อไหร่นันก็ไม่ไปแล้ว คนว่าเป็นสัญญากรรมนีคือเราต้องไปคิดทําถูกเอาไว้เราจะไปพมพผ่านไม่ได้แต่ตอนนี้สบายเราปล่อยเลยอยู่ที่เราถ้า <Okay. S 1> เราทําตามความคิดมันก็มันก็ไปตามความคิดนะ <Okay. S 1> แต่ถ้าเราไม่ไปทําทําไปตามความคิดเราก็ไม่ไปทําอยู่ที่เราอยู่ที่การกระทําแต่ความคิดก็มีอิทธิพลต้องคิดก่อนแต่คิดแล้วพอมารู้ว่าเป็นความคิดที่ไม่ดีก็เลิกได้เปลี่ยนได้เปลี่ยนเอา เป็นเอาความคิดที่ดีถ้าเป็นความคิดที่ดีแล้วก็อย่าเปลี่ยนอันนี้คิดไปนิพพานอย่างเดียวอย่าเปลี่ยนิาเียแล้ววิธีไปนิพพานรู้หรือยัอองไปยังไงมาศึกษาที่นี่ก็ต้องไ ป, งไปก็ต้องทำตัวต้องปฏิบัติตามที่ที่จะพาให้เราไปนิพพานนิพพานจะไปนิพพานได้ก็ต้องถือสีมุตตะนั่งสมาธิ จเจริญปัญญาให้เห็นว่าปัญหาความอยากนี้เป็นเป็นตัวที่เราต้องฆ่าถ้าตัวนี้ได้แล้วเราก็จะชนะเราก็จะถึงนิพพานได้คจริงมันมง่ายๆนะมันสามข้อนี่เสียงสมาธิ ป, ปัญญามีไว้ค่าปัญหาความอยากทั้งสามอย่างนี้เป็นเครื่องมือฆ่าความอยากอย่างนี้ต้องไปรู้อะไรมากเลย แต่ชอบรู้กันมากแต่ไม่ชอบปฏิบัติกนันก็คิดว่าหมดเวลาสำหรับชั่วโมงแรกก็จะอนุโมทนาให้พรยะธาวาวหาปุราปาริโกเนติสาคารังเอวานวะอิโตทินงังเปตานังอุปกัปติ อิชตังปฏตถิตางตุมหังทิตเมวะสมิจจตุสัพเพตริงตุสังกะปาจันโทปนะระโสยถามณิโชติระโสยถาสัพพิติโยวิวัชฌตุสัพพารุโคมินัสตุมาเตภวัตวันตาาโยสุขีทีพายุโกภว อาพิวาธนสีลิจะนิจามุธาปจายโนจตารโอธรรมาวะธานติอายุวันสุขังภาลัางยังไงเสื้อผ้าหลวมไปเยอะนะไ <c oughs> ายุวัดมาสองอาทิตย์นี่หลวมเลยเมื่อก่อนนี่ จะขาดให้ได้ที <c oughs> ่มันจะต้องเปลี่ยนเสื้อผ้าแล้วมั้ น, นี้ไม่ต้องเปลี่ยนนะอาจจะต้องเปลี่ยนให้มันเล็กลง <c oughs> มีมี ม, มีใครอยากจะมีอะไรหรือเ่าไม่มีแล้วตามสบายนะที่ว่าจะถ้าต้องการต้องสือซีดีอะไรก็มาหยิบได้ ถ้าต้องการฟังแล้วนั่งนั่งวนไหนก็ได้ก็อาจากยังมีคำถามนึงคือไม่ใช่กใจเกี่ยวกับการแยก่าแยกขันธคือนแล้วนั่สมาธิแล้วสมมติ้าแยก่าสร็แล้วนั่งสมาธิเราเกดตามร้อนขึ้นมาอันนี้คือคือการแยกแยก่าตใช่มแยกก็แบบแยกเวลาเราแยกนั้นแยกงแบงร้อยแบงสินี่คือใช้ความคิดออาก็ใช้ความคิดแยกบงสิบแบง้อยสีแดงแบงยี่สิบสีเขียว ร่างกายมีอาการ32แยก้ามาจากดินน้ำลมไฟใจเป็นผู้รู้ผู้คิดคนเราเรื่อมกันแยกใจแย ก, แยกแยกใจออกว่ามนพตอนนี้กิเลสมันหลอกเราว่าใจกับร่างกายเป็นอันเดียวกันว่าร่างกายเป็นตัวเราเราก็มาแยกออกมาร่างกายมันเป็นตัวเราตรงไหนเป็นที่ผมผมหรือที่ขนหือที่เล็บ ท, ที่ฟัน ที่หนังที่เนที่เอนที่กระดูกได้ไปหาดู่ที่ในร่างกายนี่ตัวเราอยู่ตรงไหนพิอช่ตอนเรานั่งสมาธิที่จะจิตเราไปตรวจใช่ไม่ไม่ต้องตอนนั่งสมาธิไม่ให้ตรวจตอนนั่งสมาธิให้นั่งให้นิ่งนิ่งให้สงบเป็นเวลาพักผ่อนเวลาทํางานต้องออกจากสมาธิทำคนละตอนกันตอนแยกธาตุแยกร่างกายพิจารณาร่างกายที่ทำได้ตลอดเวลานอกจากเวลาที่อยู่ในสมาธินั้น ตอนนี้ก็แยกได้แล้นี่กรรมพันบางทีนั่งไปจิตสงบก็ก็เอาจิตออกมาคือไม่ให้ออกมาเอาให้มันเข้าไปแทบเป็นแทบตายพอมันเข้าไปแล้วก็เบออ <c oughs> รคหมดเลยอย่างนิงก็ไม่ต้องเึงมันก็ไม่แล้วก็เข้าสมาธิไปทำไมคื อ, ค, อคือยังไม่เข้าถึงจุด ท, ที่แบบอั ป, ปนาคือเหมือนว่ามันกระเพื่อก็ให้มันเข้าไปสิก็ทำให้มันเข้าไปเออไม่ถึงก็ต้องดันให้มันถึงเลยน้าไม่ถึงถอยถอยเบ็ดชนะ ถ้าไม่ถึงมันก็จะไม่มีกําลังที่จะมาสู้กับกิเลสไม่มีกําลังที่จะมาแยก่าตยไม่มีแยกตัวตนออกจากร่างกายความจริงข้อหมายแยก่าก็คือแยกอัตตาตัวตนนี่ที่เราไปผูกติดไว้กับร่างกายมันเป็นคนละตัวกันอัตตาตัวตนอยู่ที่ใจใจคิดร่างกายมันไม่คิดคิดไม่เป็นของมันคิดเป็นหรือเปล่า เลบฟันหนังเนื้อกระดูกมันคิดได้嘛ทั้งร่างกายมันมีตัวไหนที่มันคิดได้嘛ไม่มีแต่เราก็ไม่ว่ามันเป็นตัวเราตัวคิดอยู่ในร่างกายเป็นว่ามันสมองเป็นตัวคิดสมองมันคิดไม่ได้หรอกคื อ, ค, อคือตอนเราปกติคืออยู่ในเวลาธรรมดาทํางานแล้วก็คือนี่คือการวิปปัจนานเบื้องต้นใช่ไหยคะถ้าคิดไปทางอนิจจังทุกขังของนัตตาก็เป็นวิปปนะัจนา ถ้าคิดไปในทางกิเลสมันก็เป็นกิเลสถ้าคิดว่าเป็นตัวเราของเรามันก็เป็นกิเลสถ้าคิดว่าไม่ใช่ไม่ใช่ของเราก็เป็นวิปัสสนาถ้ามีอะไรแล้วคิดว่าเป็นของเราก็เป็นกิเลสแล้วถ้ามีอะไรแล้วคิดว่าไม่ใช่ของเราของยืมเข้ามาลูกไปยืมเข้ามาสามีก็ยืมเข้ามาเดี๋ยวเขาก็มาเอาคืนไปคิดอย่างนี้ก็เป็นวิปัสสนา ตองคิดอยู่เรื่อยๆ เ, เพราะถ้าเราไม่คิดไปทางวิปัสสน า, ามันก็จะถูกกิเลสเดึงไปคิดกิเลสมันก็จะเดึงไปว่าเป็นของเราพ่อเราแม่เราลูกเราสามีเราร่างกายเราอันนี้เป็นความคิดของกิเลสเท่านั้นที่เราต้องมาเจริญปัญญาก็มาแก้ความคิดอย่นี้คิดตรงกันข้ามกันว่าร่างกายไม่ใช่เราพ่อแม่ไม่ใช่เราไม่ใช่ของเรา ตอนนี้ขนาดร้านค้ายังทิ้งแล้วไม่เอาแล้ว อ, อ, อยู่มันต้องยี่บสามปีรู้โอโ้ติดอยู่ต้องนาน อ, อปล่อย อ, อถ้าปล่อยก็แสดงว่ามีวิปัสสนาแต่ เ, เ, เริ่มปล่อยรู้มันมันทุกข์ปล่อยให้หมดราบลดสรรเสริญมั น, ว, ว, นวันนั้นเราจะาขายแคนจะมาซื้อนี่ก็ยังห่วงอ่ะยังไม่อยากจะขายร้านแต่คืนนั้นฝันมาขายดีมากแต่เห็นตัวเองทุกร์แปล่อยเลยเ อ, อจริงๆขายที่น่าจะอยู่ต่อไม่เจ็บหรือไม่เอาแล้ว ออีงขดี่ทุกข์มากใช่ถ้าเห็นทุกข์เวลามันก็จะปล่อยได้ถ้ามันยังไม่เห็นทุกข์มันก็ยังไม่ปล่อ ย, นอยคนส่วนใหญ่จะเห็นว่ามันสุขมีอะไรแล้วมีความสุขก็เะปล่อยไม่ได้ทำทั้งที่เวลามีความทุกข์ก็มองไม่เห็น ล, ลืมไปมนะวิปัสสนาเนี่ยทำได้ทุกเวลานอกจากเวลานั่งสมาธิทาไมต้องนั่งสมาธิเพราะถ้าไม่มีสมาธิมันไม่มีกาลังจะปล่อย พอจะปล่อยกิเลสมันก็มามออยาาปล่อยนะดีอย่างโน้นดีอย่างนี้เดี๋ยวมันก็เปลี่ยนใจแต่ถ้าจิตมันมีสมาธิมันหัวไม่มีอะไรจะดีกว่าเวลาจิตสงบนี้มันไม่มีอะไรมันถึงจะรู้ว่าเวลาไม่มีอะไรนี้มันดีกว่ามีเน้นพยายามทาให้จิตให้มันเข้าไปถึงอัปปนาให้ได้แล้วมันจะเห็นว่าไม่มีอะไรดีกว่า การอยู่กับความสงบอยู่กับการไม่มีไม่มีอะไรนี่สบายมีแล้ววุ่นวายถึงแม้มันจะดีขนาดนั้นมันก็วุ่นวายเป็นภาระมันกดดันจิตใจเราให้รักให้หวงให้หัวให้เสียใจเวลาที่เขาจากเราไปอย่าไปมีมันดีกว่าเวลาทาสมาธิอย่าไปทำวิปัสสนาวิปัสสนาต้องคนละเวลา ไม่ปรัชานก็คือเวลาที่เราไม่ได้ทำสมาธิออกจากสมาธิ่าแลา้คิดไปได้แต่ถ้าคิดแล้วตัดไม่ได้ก็แสดงว่า ก, กำลังไม่พอก็ต้องไปทำสมาธิให้มากขึ้นยังไม่มีกำลังดึงจิตให้ออกจากสิ่ง ต, ต่างได้เราต้องใช้ใช้สมาธินี้เป็นตัวดึงโยปัญญาเป็นเพียงตัวตั ว, ตวสอนเราเกิดทุกขนะ์น ทุกสิ่งทุกอย่างที่เรามีอนี่เป็นทุกข์แต่เรายังปล่อยไม่ได้ก็แสแดงว่าเรายังไม่มีกําลังสู้กิเลสไม่ได้กิเลสยังดึงมาไว้อยู่ก็ต้องไปนั่งสมาธิให้จิตมันรวมถ้าจิตมันรวมแล้วเนี่ยมันสแสดงว่ามันมีกําลังสู้กิเลสได้นะมีพอปัญญาบอกว่าให้ปล่อยปัมันก็จะปล่อยได้เลยต้องใจ่ยังนั่งสมาธิกับปัญญา นำางินไปเวลาหรือเวลาพักผ่อนหลับนอนกับเวลาทํางานนี่มันทําพร้อมกันไม่ได้พอจะนอนปั๊บก็เรียกมันขึ้นมาทํางานนี่มันจะมีแรงไปทํางานที่ไหนใช่ไหมเวลาพักผ่อนหลับนอนนี่เราไม่ไปดึงมันออกมาทํางานหรอกเวลาร่างกายพักผ่อนหลับนอนเราปล่อยมันนอนให้เต็มที่พอมันอิ่มมันมีกําลังแล้วมันก็ตื่นขึ้นมานำที่นี่กระเด็นมันไปทํางานได้จ้างมันทํางาน เนี่ยเราก็ไม่ต้องหยุดทางานทำมันทั้ง24บี่ชั่วโมงเลยไม่ดีนะทำไปถ้าไม่มีการพักผ่อนมันก็ไม่มีประสิทธิภาพทำไปก็ไม่เกิดผลไม่มีเรีย่ยวไม่มีแรงทำอะไรไม่เกิดผลขึ้นมาแต่ถ้ามีการพักผ่อนรำรามันก็มีกำลังพอถึงเวลาจะทำงานก็ทำได้อย่างมีมีมีผลทำอย่างได้ผล งั้นเราต้องทำสลับกันระหว่างปัญญากับสมาธิยังสมาธิให้มีกำลังแล้วก็ออกมาสู้กับกิเลสสอนใจว่าทุก อ, อย่างไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่ใช่ของเราแล้วดูว่าปล่อยได้ตัวปล่อยอะไรได้บ้างตัวไหนปล่อยไม่ได้สแสดงว่ากำลังยังไม่พอกลับไปนั่งสมาธิต่อแล้วก็กลับมาดูใหม่ตัวนี้ปล่อยได้หรือยังทุก อ, อย่างมันต้องเห็นว่ามันเป็ดตายแล้วต้องเห็นว่ามันเป็นทุกข์ ก็จะปล่อยได้แต่เห็เราเป็นทุกข์เราปล่อยไม่ได้ก็แสดงว่ายังไม่มีกาลังพอก็ต้องเข้าไปนั่งสมาธิต่อก็พยายามนั่งอยู่ทุกวันแล้วนั่งก็อย่าไปอย่าไปพิจารณาไม่ใช่เวลาพิจารณาถ้าพิจารณาก็ทําก็ไม่ได้พัก<ม>ก็ทํางานต่ออย่งนก็ไม่ต้องไปนั่งใเสียเวลาก็พิจารณาตอนที่ไม่นั่งก็ได<ม>้ตามพิจารณาไม่จำเป็นจะต้องพิจารณาตอนนั่ง ที่ให้นั่งเพื่อให้หยุดคิดพักเพราะถ้าไม่นั่งร่างกายยังเคลื่อนไหวอยู่จิตมันยังต้องทำงานเพราะจิตเป็นผู้สั่งให้ร่างกายเคลื่อนไหวไม่ต้องการให้จิตหยุดก็ต้องต้องหยุดร่างกายก่อนร่างกายนิ่ง่ากายนิ่งแล้วถึงจะทาใจให้นิ่งได้ถ้ากายไม่นิ่งใจไม่มีวันนิ่งเดินจงกรมนี่ถึงแม้จะมีสติมันจะไม่รวมมันจะไม่สงบ อย่างเดีวมันจะไม่ฟุ้งซ่านถ้ามีสติมันจะไม่คิดนู่นคิดนี่แต่มันยังต้องทํางานยังต้องสั่งให้ร่างกายเดินก้าวเท้าซ้ายขวาซ้ายขว า, า, าอยูย่ถ้าต้องการให้จิตหยุดทํางานก็ต้องให้น่างกายอยู่เฉยๆแล้วจิตถึงจะรวมแล้วเข้าสู่ความสงบได้อย่างเต็มที่ถ้าเราจิตสงบเต็มที่กิเลสทํางานไม่ได้หยุดหมดเหมือนลถนี่พอรับดับเครื่องปั๊บนี้ไปไหนไม่ได้นะ่ คนขับอยากจะไปไหนก็ไปไมได้เพราจิตถึงช่วงอั ป, ปนานี่หมายถึงว่าเราจะไม่มีความรู้สึกรรอะไรใช่ไหมหรือรใจออกไปหรือยังไงคะนี่เรนะจะมีความรู้สึกมีความสุขสตนนิมีสมตะมีสติมีความรู้ว่าจิต ต, ตอนนี้นิ่งเฉยสงบเบาสบายคือสามีเขาก็นั่งสมาธิเขาบอกอยู่ครั้งหนึ่งที่แบบว่าจิตก็ เ, เห็นเหมือนตรงไฟออกไปข้างนอกแล้วก็เขาก็ เขาเหมือน้อาสงสัยก็ไม่ตัวก็มาถามเองคือไม่ใช่นี่คือนิมิตใช่ไหมคะยังไม่สงบถ้ายังออกไปนี่ก็ยังไม่สงบคือต้องอยู่ข้างในอยู่ข้างในแล้วไม่มีอะไรเหมือนรออยู่ในอวกาศเนี่ยมไ่เบาอกเบาใจสบายอกสบายใจไม่มีความไม่มีอารมณ์ไม่มีรักชังกลัวหลง แล้วมัจะมีกำลังเวลาเอามาพิจารณาเห็นแล้วว่าทุกข์กโยนทิ้งเลยสามีทุกข์ก็ยกให้คนอื่นไปเลยร <c oughs> <c oughs> อะถ้ามีสมาธิแล้วไม่ไม่เดือดร้อนเพราะสมาธิให้ความสุขมากกว่าสามีให้ <c oughs> ตอนนี้ทิ้งล้วงสานะีแล้วสามีแบบเขาะจะบวชแล้วใจนุมน่นมโถฉักนะฝาน <c oughs> ไปรูกศิษย์อาจารย์ก่อน <c oughs> เขาจะตามมาเดือนนะคะการมาเป็นลูกศิษย์เราบ้านแตกสาหลายขาะจับบวชแต่เขาบอกว่าเขาเขาอยากจะบวชกับเขาเขาท่องภาษาบาลีไม่ได้เป็นพระก็ท่องได้ไม่ยากครับทีละคำสองคาวันละคำสองคำไปพูดพูดภาษาไทยได้ภาษาบาลีนี่ก็เป็นภาษาพูดภาษไยเภาษาอังกฤษได้ภาษาอกฤษเขพูดได้ภาษาอื่นเขาก็พูดได้ถ้าเขาอยากจะเรียน แล้วก็ไม่อยากเลยก็ไม่ก็ไม่ได้ก็อยู่ที่ใจก็อยากอยากก็อยากจะทําหรือเปล่าถ้าไม่อยากจะทําก็ไม่ได้ทําแต่เ้าติดแล้วเนี้ยก็จะท่องไม่ได้ก็จะหวงเพความจําไม่ดีทำไมก็มาลองแต่ันก็เปนกิเลสถูกกิเลสกรรมแล้วใช่ไหมไ่หวนนะกิเลสกรรมจริงมันไม่ใช่ท่องแบบ ท่องพระไตรปิฎกทั้งทั้งคำพี์ทั้งเล่มเนี่ยมันท่องแค่กระาดาษชิ้นชิ้นเดียวแผ่นเดียวอย่งเดียวไม่เจริล้อาจารย์แล้วแตกอะไรค่ะแสดงว่ายังไม่อยากจริงนกิเลสมันยังหล อ, อกอย่ยังหล อ, อกยังเลาะอยู่ยังอ้างนู่นอ้างนี่แต่เขนานั่งสมาธิมา ก, กคนหนึ่งค่ะหรือยังนั่นงรอเขานั่น ง, นนงเยอะนั่งจนโดนแบบนินดๆหลอก อันนี้ก็เผ็ดเออันนี้คือคเขาั่งแล้วเขาบอกว่าเขาั่งไปั่งมาเนี่เอ่าเล่านีมันทำมาจากข้าวเพามันเจมันกินไดนไม่เป็นไรกินเจอันนี้ก็คิดแบบกิเลสเที่แบบกิที่เข้าข้างตัว เ, เองไม่ใช่วิปัสสนาไม่ดูที่ผล ม, มันไม่อยู่ที่เจแล้ไม่เจมันอยู่ที่กินแล้วนนมีสติแไม่มีสติ กินแล้วไม่มีสติก็ไม่ดีแล้วเป็นโทษเพราะไม่มีสติเดี๋ยวมันจะทํามาบาปมันก็หยุดไม่ได้แต่สี่ข้อห้านี่หมายถึงว่าต้องห้ามห้ามดื่มเลยใช่ไหมนะถ้าดืมมันเดี๋ยวมันก็รักษาสิ่งข้ออื่นไม่ได้ถ้าเมาแล้วเดี๋ยวมันก็พูดจาไม่ดีแล้วดีไม่ดีก็แล้วอารมณ์ไม่ดีก็ทําอะไรเสียหายได้ หรือว่าอันนี้ทรงคือชาติน่าจะเป็นคนปัญญาอ่อนอันนี้จริงมจริก็จริงอ่ะคนไม่มีสติมันก็ก็คือคนปัญญาอ่อนใช่ไหมเด็กปัญญาอ่อนก็คือเด็กที่ไม่มีสติปัญญามันจะมาได้ก็ต้องมีสติก่อนเวลาเรียนหนังสือถ้าไม่มีสติก็ฟังไม่รู้เรื่องใจลอยคิดถึงเรื่องโน้นเรื่องนี้อาจารย์สอนอะไรก็ฟังไม่รู้เรื่องเพราะไม่ได้ตั้งใจฟังไม่มีสติที่จะบังคับให้ใจตั้งใจฟังได้ ก็เป็นปัญญาอ่อนไปเขาเรียนวันเด็กเขาเรีย น, นสียสติหรือสติปัญญาอ่อนมีคำถามหรือยังอาจารย์คะอ่านักปณีเรียยอาจารย์ว่านั่งสมาธิให้จิตสงบและพอจิตสงบแล้วมันเกิดมิทนาถ้าเกิดมิถนามันก็ถ้าจิตสงบมันก็ไม่มันก็ไม่เป็นปัญหาอะไรมันจนอยู่กับความสงบได้ มันจะเฉยๆไม่ไม่ไม่ไม่ไม่ำคาญกับเวทนาถ้าลำคาญก็แสดงว่าไม่สงบละเมื่อสงบก็ทำให้มันสงบไปพุทโธต่อไปกว่าให้เวทนามันไปเนี่ยไปยุ่งกับมันิ่งที่มาต้องมาแก้ไม่ใช่ที่เวทนาต้องมาแก้ที่ใจที่ไม่สงบถ้าใจมันเริ่มลำคาญกับเวทนาแสดงว่ามันไม่สงบลว ก็ต้องพูดโทรพูดโทต่อไปให้มันกลับเข้าไปในอัปปนาสมาให้มันสงบเนี่ยพอสงบแล้วความเจ็บของร่างกายก็จะไม่ทําให้ใจลาคาญก็จะอยู่กับมันต่อไปได้คําถามจากคุณสีนวล น, นั่งสมาธิภาวนาไปเรื่อยๆจนบางครั้งมองครั้งโลกไม่สนุกเลยดูอะไรก็ไม่สนุกเหมือนเมื่อก่อนเลยบางครั้งคิดว่าตัวเราผิดปกติหรือเปล่า นอกจากเข้าสมาธิอย่างเดียวอย่างนี้เป็นปกติใช่ไหมคะก็เหมือนกับคนที่ได้ของที่ดีกับของเก่าที่มีอยู่ของเก่าที่มีอยู่มันก็เลยไม่ดูไม่มีคุณค่าไปเช่นเรามีรถเก่าแล้วคนก็ซื้อรถใหม่ให้เราใต่รถเก่าที่เราเคยขับเราก็ไม่อยากจะขับมันละขับรถใหม่นี่ปะอันนี้ก็เหมือนกัน เวลาเรานั่งสมาธินี่เราจะได้ความสุขรูปแบบใหม่ที่ดีกว่าความสุขที่เราได้จากที่สิ่งต่างๆที่เราเคยได้มันก็เลยทําให้เราเบื่อหน่ายกับสิ่งของเก่าๆ เ, เรื่องของใหม่นี้บ้างนั่งสมาธินี่กว่าเอาความสุขจากความสงบดีกว่าพระจะก็บอกแล้วว่าความสุขที่เกิดจากความสงบนี้เป็นเหนือกว่าความสุขทั้งปวง พอใครได้ความสุขจากสมาธิแล้วจะทิ้งทุกอย่างทิ้งความสุขจากลาบยศสันละสความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสความสุขจากคนนั่นคนนี้สิ่งนั่นสิ่งนี้เอาความสุขจากสมาธิดีกว่าคำถามจากคุณฉเฉลยการที่เราพิมพ์อนุโมทนาสาธุกับคนอื่นในโทรศัพท์ จะได้บุญเหมือนที่เราโมทนาด้วยตัวเองหรือเปล่าคะได้ก็เหมือนกันใจเรามีความสุขกับการทำบุญของผู้อื่นค่าำถามจากคุณสาข้อที่หนึ่งถ้าหยุดคิดนอนจะหยุดคิดไหมครับบางทีก็หยุดบางทีก็ไม่หยุดเวลานอนบางทีก็ฝันเรื่องนั้นฝันเรื่องนี้ความฝันนี้ก็เป็นความคิดนข้อที่สองสมาธิเกิดปัญญาปัญญาเห็นกิเลส หลวงพ่อหมายถึงอย่างนั้นใช่ไหมครับไม่ใช่หล่ะสมาธิไม่ได้ทําให้ปัญญาเกิดสมาธิเป็นเพียงแต่เป็นผู้ที่จะทําตามคําสั่งของปัญญาปัญญาบอกให้ทิ้งสามีทิ้งภรรยาถ้าไม่มีสมาธิก็ทิ้งไม่ได้ถ้ามีสมาธิก็ทิ้งได้ถ้าปัญญาบอกว่ามีสามีแล้วทุกมีภรรยาทุกปัญญาเป็นคนบอกว่าอะไรผิดอะไรถูกอะไรทุ ก, อ ะ, ท ก, อ, ะทกอะไรสุข ส่วนสมาธิเป็นผู้ที่ทำทำตามคำสั่งของปัญญาถ้าไม่มีสมาธิถ้าสมาธิไม่มีกำลังถึงแม้จะรู้ว่าสามีไม่ดีภรรยาไม่ดีก็ยังทิ้งไม่ได้ยังเสียดายอยู่คำถามจากคุณเอ ก, กี้เมื่อเราตายลงร่างกายถูกเผาไปแล้วแล้วจิตออกจากร่างไปรับผผลกรรมในนรก อยากทราบว่าจิตจะอยู่ในรูปใดครับก็ในรูปแบบตอนที่ยังไม่ตายนะ่ยจิตมันเนี้เป็นนรกต่างๆมันยังไม่ตายก็คือรุ่มร้อนจิตรุ่มร้อ น, จ, อนจิตทุกข์ทรมานนี่ก็เป็นนรกแนละ้วมันไม่มีรูปแบบมันเป็นความรู้สึกจิตนี้มีแต่ความรู้สึกสุขหรือทุกข์เย็นหรือร้อนเป็นเป็นเป็ น, เ ป, นเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นกับจิตแล้วเราก็ให้ชื่อมันว่านารกสวรรค์อบายอะไรไปตาม อันนี้เป็นเพียงแต่ชื่อแล้วคนก็มาแถมว่าภาพว า, าบายเป็นอย่างนู้นเป็นอย่างนี้อันนั้นเป็นการเป็นการจินตนาการไปและไม่ใช่เป็นความจริงความจริงของจิตก็คือความนุ่มล้นเ<ม>วลาเราโกรธเกลียดใครนี่นร้อนกินไม่ได้นอนไม่หลับไฟ<ม>ในโลกกาลังเผาใจเ<ม>วลาเราสุขไปทําบุญไม่ได้ไปช่วยเหลือใคร<ม>รู้สึกมีความอิ่มใจสุขใจเป็นสวรรค์ขึ้นมะา หมดแล้วค่ะหมดแนเลยอันนี้ปัญหาหน้อยมีแค่สองสามข้อเองนะใจนี่มันมันเป็นตัวที่เป็นเหมือนเวทีละครเคยเห็นดูดูละครไหมเวทีละครนี่ก็เปลี่ยนฉากได้ไหมันเป็นฉากบ้านเป็นฉากเมืองเป็นฉากป่าเป็นฉากทะเลใจเราก็เป็นเหมือนเวทีละครเนี่ยแล้วก็เปลี่ยนฉากไปเรื่อย เวลาทำบุญก็เป็นจัดฉากเป็นสวรรค์ขึ้นมาเวลาทำบาปก็ฉากก็เป็นนรกขึ้นมาเนี่ยนรกสวรรค์อยู่ในใจเราเป็นฉากที่เราสร้างขึ้นมาในใจเราเวลาที่เรานอนหลับเนี่ยเรากำลังดูฉากที่เราสร้างขึ้นมาเวลานอนหลับฝันดีก็ใจเป็นผู้จัดฉากนี้ขึ้นมาเวลานอนหลับร้วฝันร้ายก็ใจเป็นผู้จัดฉากอะไรที่ทำให้ฝันดีฝันร้าย ก็บุญที่บาปที่เราทำถ้าเราทำบุญมันก็จะมีแต่ฉากดีๆถ้าทำบาปมันก็มีแต่ฉากไม่ดีเพราะเวลาเราไปทำบาปมันมีแต่เรื่องไม่ดี<ม>เวลาทำบุญก็มีแต่เรื่องดีๆมันก็ฝังไว้ในใจเราพอเวลานอนหลับไม่มีสติควบคุมใจมันก็เลยปล่อยให้บุญกับบาปเป็นตัว จ, จัดฉากให้กับเราจัดให้เราร้อนจัดให้เรา เย็นจัดฉากให้เป็นสวรรค์เวลาเรานอนหลับฝันดีฝันจะไปเที่ยวที่นั่นพระคบคนนั้นคนนี้มันดูแลเรามาช่วยหรือเรามาทําอะไรดีๆกับเราเนี่ยก็ฝันดีก็เป็นสวรรค์นแตาฝันร้ายก็เจอแต่ปัญหาคนนั้นก็กลั่นแกล้งเราคนนี้ก็จะโกรธเราเกลียดเราเพราะฉะนั้นก็จะมาทำร้ายเราอันนี้ก็เป็นฝันร้ายมันก็เป็นมันก็เป็นนรกขึ้นมาในใจ ใจเรานี่ก็เหมือนเวทีละครนะนะเวลานอนหลับเห็นไหมเราก็เราก็ฝันเห็นไหมใจก็เป็นตัวที่จัดเวทีละครจัดเป็นผู้กำกับละครเลยมีทั้งตัวแสดงมีทั้งฉากมีทั้งอะไรใจเป็นคนจัดการทั้งอย่างให้กับเรานะขึ้นอยู่กับความคิดดีหรือคิดไม่ดีที่เราทําในขณะที่เราตื่นะที่เราถ้าเราคิดดีในขณะที่เราตื่น เราก็จะสะสมภาพที่ดีกิจกรรมที่ดีไว้ในใจพอตอนที่เรานอนหลับไปใจก็จะเอาภาพที่ดีกิจกรรมที่ดีมามาฉายให้เราดูมาแสดงให้เราดูม่เป็นละครเท่านั้นแหละนี่คือใจแล้วก็มันเป็นตั้งแต่ยังไม่ตายเป็นต่ว่ามันเป็นแบบสลับฉากกันเพราะว่าใจเราเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาในแต่ละวันวันไหนเราคิดดี พอตื่นขึ้นมาปั๊บไอ้บุญไอ้บุญกับบาปไอ้ฉากต่างๆที่ที่เราได้เห็นในฝันมันก็หายไปแล้วเราก็กลับมามาทำบุญทําบาปเป็นใหม่จากนั้นไอ้ไอฉากต่างๆมันก็จะหยุดภาพชั่วคราวพอเรานอนหลับมันก็มามาเปิดลวงเปิดละครเปิดฉากให้เราดูใหม่ถ้าเราไม่มีร่างกายเลยมันก็จะมันก็จะฉายยาวไปเลยมันจะเล่นยาวไปเลย เล่นไปจนกว่าหมดเรื่องหมดหม ด, หมดบุญหมดบาปแล้วมันก็จะกลับมามีร่างกายใหม่แล้วก็มามาตื่นขึ้นมาใหม่เวลาตายนี่ก็เหมือนกับนอนหลับยาวเลยเวลานอนหลับที่ยังมีร่างกายอยู่ก็นอนแค่แปดชั่วโมงเจ็ดชั่วโมงแปดชั่วโมงแล้วก็ตื่นขึ้นมาแต่ถ้าไม่มีร่างกายเลยเวลาตายไปร่างกายตายแบบนไปนมันก็ฝันยาวไปเลยฝันยาวไปเลยถ้าฝัน ถ้าฝันดีก็ไปสวรรค์ฝันฝันร้ายก็เหมือ น, น, นก็บอกอยู่อยู่ในอาบายอยู่ในนรกจน mm hmm. กว่าจะตื่นขึ้นมาแล้วได้ร่างกายใหม่บางทีก็ยังไปได้ร่างกายของเดรัชานบางทีก็ได้ร่างกายของมนุษย์ถ้าได้ร่างกายของเดรัฉานก็แสดงว่าบาปยังไม่หมดพอได้ร่างกายของมนุษย์ก็แสดงว่าบาปกระบุญหมดกําลังแล้วไม่สามารถใช้ใช้ใช ใ ช, ใช้ฉากที่ดีหรือฉากที่ไม่ดีได้ก็เหมือนกับตื่นขึ้นมาใหม่เพราะได้น่างกายใหม่แล้วก็มาสร้างบุญทางบาปใหม่แล้วเดี๋ยวเวลานอนหลับก็ฝันใหม่เวลาตายก็ฝันใหม่ก็เป็นอย่างนี้ไป เ, เรื่อยๆคำถามจากคุณประดับพรมีน้องคนหนึ่งลูกชายเสียชีวิตในเวลาที่ไม่สมควร และผู้เป็นแม่เสียใจมากทําอย่างไรเธอถึงจะลืมได้ครับคือทุกที่คิดถึงลูกเจ้าค่ะก็ต้องหยุดคิดนะหยุดคิดก็ใช้พุโทโธก็ได้สวดมนต์ก็ได้ทํากิจกรรมอะไรที่ทําให้เราไม่มีเวลามาคิดก็ได้ถ้าอยู่เฉยๆไปคิดปล่อยคิดมันก็จะทุกข์เพราะมันยังอยากจะให้กลับมาเนี่ยเราต้องห า, หาวิธีไม่ให้มันคิดวิธีที่ง่ายที่สุดแต่ยากที่สุดก็คือใช้สติเนี่ย พุโทโธทโธไปหรือวิธีที่ยากกว่านี้ก็คือปัญญาอผมมันผ่านไปแล้วมันจบไปแล้วละครฉากนี้จบไปแล้วตัวละครตอนนี้หมดบทบาทแล้วเราชีวิตเราเป็นเหมือนเล่นละครกันบทนั้นเขาผู้กำกับเขาเขียนเขาจบแล้วเขาไม่มีบทให้เขาเล่นต่อไปแล้วก็เาเอาเข้าโรงแล้วถ้าเราคิดอย่างนี้แนละ้วมันก็จบถ้าเรามองเห็นว่าโลกนี้เป็นโรงละครมันก็จบ เรายังไม่จบเราก็เล่นของเราต่อไปใไหมแต่มันไม่ยอมคิดอย่างนี้มันจะคิดอยากจะให้กลับมาอยากให้กลับมาพอไม่กลับมาก็เสียใจเพราะความอยากให้กลับมาถ้าไม่อยากจะเสียใจก็อยากต้องตัดความอยากอยากให้กลับมามันเป็นไปไม่ได้แล้วมันผ่านไปแล้วมันเป็นเหมือนความฝันเมื่อคืนนี้ฝันดีงไงแติ่ขึ้นมาจะให้มันกลับมาได้ไมฝันเมื่อคืนนี้นี่นแหละ เหตุการต่างๆที่เกิดขึ้นมาตั้งแต่ตั้งแต่เมื่อวินาทีนี้ที่ผ่านไปนี้มันเป็นอดีตแล้วเป็นเหมือนความฝันแล้วเียกมันกลับมาไม่ได้เราต้องมองไปข้างหน้าชีวิตเราต้องมองไปข้างหน้าอย่าไปมองไปข้างหลังนาเดี๋ยมันอาจจะกลับเข้ามาหาเราข้างหน้ามันไม่มาข้างหลังอเดี๋ยวเขาอาจจะกลับมาเกิดมาเจอเราใหม่ก็ได้ใช่ไหมมัน มันมันถ้ามันจะเจอกันเดี๋ยวมันก็เจอกันนี่ยคำถามจากคุณปรกรณ์วิทย์ไม่ออกบวชจะบรรลุได้ไหมครับได้ถ้าปฏิบัติได้ถ้าปฏิบัติถ้าฆ่ากิเลสได้ก็บรรลุได้การบวชนี่เป็นเพียงแต่ทําให้มันสะดวกง่ายขึ้นเพราะถ้าไม่บวชนี้ถ้าต้องไปทํางานเนี้มันก็ยากเวลาที่จะฆ่ากิเลสมันก็มีน้อย ต้องทํางานทําการแล้วยิ่งทํามีภาระอย่างอื่นอีกนอกจากการงานยังมีครอบครัวมีคนนั้นคนนี้ต้องมาคอยบริการให้เขาอีกนอกจากเวลามาฆ่ากิเลสได้ไงคนที่เขาอยากจะฆ่ากิเลสให้ได้รวดเร็วง่ายได้ก็ต้องไปบวชถ้าไปบวชแล้วพระพุทธเจ้า ก, ก็รับประกันเลยเจ็ดวันก็ได้ไม่เจ็ดวันก็เจ็ดเดือนไม่เจ็ดเดือนก็เจ็ดปีรับร อ, บองรับประกัน แต่ถ้าไม่ไปบวชนี่ไม่รับประกันคำถามจากคุณลพนแยกกายกับจิตในทางปฏิบัติทมกับถอดจิตออกจากกายแตกต่างหรือเหมือนกันครับก็ถอดจิตออกจากกายก็เวลานั่งสมาธิถอดจิตออกจากกายเวลานั่งสมาธิเราดึงจิตที่กระแสจิตที่ไปเกาะที่ร่างกายคือวิญญาณ วิญญาณทางตาหูจมูกนิ้งกายเล้วรพุโทโธพุโทโธเราถอดถอดปลั๊กไอ้หกห้าสายนี้ออกจากร่างกายร่างกายเราเป็นเหมือนปั๊กปลั๊กห้าห้าดูดูหนึ่งมาที่ตาดูหนึ่งมาที่หูหูตาจมูกนิ้งกายเวลาเราพุโทโธพุโทโธเราก็เดินปลั๊กออกไม่ส่งให้ใจไปคิดไปทางตาหูจมูกนิ้งกายปกติถ้าเราไม่พุโทโธเราก็จะคิดให้เดี๋ยวไปดูนะั่นเดี๋ยวไปฟังนี่ มันก็จะไปที่ตาของจมูกมือกายพอเราพุโทโธพุทธโทเราก็เบ่งใจออกมาในีว่าเราถอดถอดใจออกจากร่างกายแล้วเราถอดเสื้อผ้าเนี้ยพวเราถอดเสื้อผ้าเราก็ดุมถอดกระดุมออกถอดเอาเสื้อผ้าออกไปใจกับร่างกายมันมาเชื่อมต่อด้วยวิญ ญ, ญาณทั้งห้านี่ด้วยสังขารความคิดปุ่งแตกสังขารเป็นเป็นเอาพุทวิญญาณเป็น output, ญญเอาอินพุตเนี่ยวิญญาณเป็นตัวรับ ข้อมูลจากร่างกายส่วนสังขารนิยความคามิดนี้เป็นตัวสั่งให้ร่างกายทาอะไรเหมือนกับโดรนที่เราใช้ตอนนี้เห็นหมเขามีกล้องกล้องส่งมาให้เราเห็นแล้วเราก็สั่งให้มันไปซ้ายขวาซ้ายขวาอันนี้ก็แบบเดียวกันเวลาที่เรานั่งสมาธิเราก็เหมือ น, ป, นปิดเครื่องเราปิดเครื่องปั๊บเราก็ไม่ติดต่อกับโดรนโดรนก็จอดอยู่เฉ ย, เฉย ให้นั่งกายนั่งอย่างนี้เฉยแล้วเราก็ปิดเครื่องใจเราก็แยกออกจากร่างกายแล้วใจรวมเป็นอัปปนาสมาธิมันก็จะเหลือแต่ใจตัวเดียวไม่รับรู้เรื่องของร่างกายตอนนี้เรารับรู้หมดใช่ไหมรับรู้เรื่องของตาหูจมูกเสียงกลิ่นรสตอนนี้เรารับรู้ได้หมดแต่พอเราจิตรวมนี่มันไม่รับรู้แล้วมันถอดปลั๊ ก, ก่อก น, นี่นเ ร, รียกว่ายแยกจิตแยกแยกจิตออกจากร่างกายในตัวเขาว่าไงนะ อีกตัวถามว่าถอดจิตจากกายอ่าอันแรกตั ว, ตวแยกนะแยกายกับจิตก็อัเดียวกันกอ่อนแยกก็ต้องใช้ปัญญาเวลาเอาจากสมาธิมาแล้วมันจะกลับเข้ามารวมกันเราก็ใช้ปัญญาคอยเตือนว่าให้ร่างกายกับเราเป็นคนละคนนะะร่างกายเป็นโรนเราเป็นคนควบคุมโรนให้คิดอย่างนี้ร่างกายเป็นตุ๊กตาเป็นหุน่นเราเป็นคนเชิดหุน่น อันนี้ต้องใช้ปัญญาเตือนอยู่เรื่อยวาร่างกายไม่ใช่ตัวเราของเราเดี๋ยวมันต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายห้ามมันไม่ได้ถ้าไม่อยากให้มันไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายเราจะทุกข์ถ้าเราไม่อยากจะทุกข์เราก็เฉยๆรับปอกความจริงไปเราไม่ได้แก่ไม่ได้เจ็บไม่ได้ตายไปกับร่างกายนี่ก็คือเป็นการใช้ปัญญาแยกตอนที่ออกจากสมาธิ ต้องถามจากคุณจิตนาถ้าจะสวดมนต์ก่อนนอนต้องเวลาไหนถึงเวลาไหนคะอก็ก่อนนอนก็บอกว่าวลไหนแถว่วลาไหน <c oughs> มาถามเวลาไหนออีกก็ก่อนนอนเนี่ยคุณนอนเวลาไหนก็สวดก่อนนอนเลยเอกบอกเวลาอยู่แล้วนะ <c oughs> บอกเวลาอยู่ในตัวอยู่แล้วก่อนนอนคำ <c oughs> ถามจากคุณเฉลย ER? บารมีจิตครูอาจารย์ระดับสูงท่านสามารถท้าบกับจิตของเราได้ไหมคะท้าบไม่ท้าบนะหมายถึงพาจิตเราไปนิพพานนี่ไปไม่ได้หรอกจิตคายจิตมันเพื่อจะบอกทางได้แต่เราต้องไปเองเดินเราไปไม่ได้ต่อให้เกาะชายผ้าเหลืองก็ไปไม่ได้ผู้ปฏิบัติมันเป็นสุด เป็นอัตตาหิอัตาโนนาโถเรื่องการจะไปนี่ผ่านนี่คนอื่นดึงไปไม่ได้เราต้องดึงตัวเราไปเองคนเด่นเพีงแต่บอกทางบอกวิธีไปไปทางนี้นะแต่คุณต้องเดินไปเองไม่ใช่ให้คนอื่นมาอุ้มไปไปไม่ได้คําถามจากคุณแอปเปิลปัจจุบันเวลาทำบุญด้วยเงินจะทำด้วยจำนวนที่มากขึ้นกว่าเมื่อก่อนเวลาทา เวลาทําไม่ได้ทําด้วยความรู้สึกอยากหรือขออะไรต้องการขอให้จํานวนเงินนั้นเป็นประโยชน์ต่อคนอื่นๆต่อไปแต่ถ้าทําบุญด้วยเงินจํานวนน้อยๆจะไม่รู้สึกสุขใจเท่ากับจํานวนเงินที่มากๆค่ะไม่ทราบว่าเป็นเพราะเราติดสุขหรือเป็นเพราะใจเราใหญ่ขึ้นอยากช่วยเหลือคนอื่นมากขึ้นคะก็มันก็เหมือนกับกินข้าวนะกินจานหนึ่งกับกินสามจานมันก็ต่างกันนะยิ่งกินมากมก็ยิ่งอิ่มมาก อิ่มน้ำมันก็อิ่มน้อยพอใครกินมากแล้วพอมันมากินน้ํามันก็เลยรู้สึกไม่ค่อยรู้สึกอะไรถ้าอยากจะให้มันมีความอิ่มมากมันก็กินมากขึ้นไปเรื่อยๆคนเราจึงอ้วนไงนะเพราะมันกินมากขึ้นไปเรื่อยถ้ากินเท่าเดิมมันไม่รู้สึกมันไม่สุขเหมือนกับถ้ากินเพิ่มมากกว่าเดิมถ้ากินน้อยกว่าเดิมมันก็ยิ่งมัมีความรู้สึกทุกข์ขึ้นมาแทนมันเป็นความรู้สึกถ้ามัน ถ้าทำทานหมดแล้วเต็มที่แล้วถ้าอยากให้มันสูกมากกว่า น, นี้ก็ต้องไปพาวนานแล้วต้องไปนั่งสมาธิถึงจะได้สุกมากกว่าบุญที่จะเกิดจากการทำทานต้องรักษาศีลคำถามจากคุณปวาริษาวันหนึ่งหนูนั่งสมาธิสักพักจะเห็นคุณยายผมขาวท่านหนึ่งหันมายิ้มให้หนูหนูมั่นใจว่าหนูไม่ได้นั่งหลับเจ้าค่ะ แต่จิตหนูเป็นสมาธิแล้วหนูก็เห็นอย่างนั้นหนูก็รีบดึงตาไม่เห็นอะไรอย่างนี้เรียกว่าอะไรคะว่าหลวงหนูบัดหนูก็บอกตัวเองว่าจิตเป็นสมาธิถ้าเป็นสมาธิมันไม่เห็นอะไรถ้าเห็นมันก็ยังไม่เป็นสมาธิมันเป็นสมาธิจริงมันไม่เห็นอะไรมันมีแต่ความว่างคำถามจากคุณแม่น การสวดมนต์ก่อนนอนเราควรสวดบทไหนบ้างเจ้าคะแล้วเราต้องสวดแผ่เมตตาด้วยไหมเจ้าคะสวดบนไหนก็ได้สวดจะแผ่เมตตาสวดก็สวดได้ไม่สวดก็สวดได้ที่ให้สวดเพื่อจะได้รู้ว่าวิธีแผ่แต่ไม่ได้แผ่ก็จะไม่เวลาสวดบทแผ่เมตตายังไม่ได้แผ่เวลาแผ่ต้องมาแผ่ตอนที่มีคนรับสิเวลาใครก็ด่าเราแล้วก็สาทุกอย่างเราแผ่เมตตาไม่ไม่โกรธเขา เวลาใครเดือดร้อนให้ความช่วยเหลือเขาตอนนั้นเป็นเวลาเวลาแผ่เมตตาแต่เวลาที่เราสวดนี่เราไม่ได้แผ่เราเพียงแต่สวดนี่นเราจะสวดก็ได้ไม่สวดก็ได้ที่ให้สวดเพื่อเราจะได้รู้ถ้าเรารู้เราจะไม่ต้องจะสวดก็ได้ไม่สวดก็ได้แต่เวลาแผ่ต้องแผ่ตอนที่มีเหตุการณ์จริงเกิดขึ้นเวลามีเหตุการณ์ต้องใช้ความเมตตาแล้วก็ให้ความเมตตา ใครยืมเงินไปแล้วไม่ยอมใช้ก็ให้เมตตาเขาให้อภยัยเขาไงอย่าไปอย่าไปเอ า, เอาเรื่องเอาราวเขาแต่ก็ไม่ได้ยกให้เขาเพียงแต่ว่าถ้าเขายังไม่มีให้ก็รอไปก่อนเดีย๋ยวถ้าเขามีให้เขาคงให้เราเองถ้าเขาไม่ให้ก็ถือว่าไม่ใช่ของเราวิปัสสนาไปคำถามเจากคุณนกน้อย ถ้าจะสวดมนต์จำเป็นต้องจุดธูปทุกครั้งไหมคะไม่จาเป็นหรอกูกจะจุดก็ได้ไม่จุดก็ได้มันไม่เกี่ยวกันคําถามจากคุณ ธ, ธัญทิย์ถ้าจิตเราทุกมานานหลายปีตั้งแต่เด็กจนโตจนชินแล้วเรามาเริ่มปฏิบัติมันจะเห็นผลเร็วขึ้นไหมคะให้จิตนิ่งก็ไม่แน่หรอกมันไม่ได้อยู่ที่ว่านานหรือ ไ, ไม่นานมันอยู่ที่สติปัญญามีมากมีน้อย ถ้ามสีสติมากมันก็จะนิ่งได้เร็วถ้ามีปัญญามันก็จะหายทุกข์ได้เร็วคำถามจากคุณวรวัฒน์ั่งสมาธิบริกรรมพุทโธพุทโธ ท, ทุกอย่างหายไปแสดงว่าเราหลับใช่ไหมครับจะต้องรู้สึกตัวใช่ไหมครับถ้าทุกอย่างหายไปก็หลับ <laughs> <laughs> อยู่ก็หลับทุกวันเลยคำถามจากคุณนภพล สมมติเราเข้าใจว่าเราเป็นโรคซึมเศร้าและคิดว่าการปฏิบัติธรรมแก้ไขเยียวยาได้เราจะพึ่งเริ่มต้นและปฏิบัติอย่างไรดีครับเพราะการป่วยทางจิตอาจทําให้เข้าสังคมเข้าใจว่าอาจก่อให้เกิดปัญหาสังคมได้ครับหากจะปฏิบัติธรรมที่วัดก็ฝึกสติให้มีสติหยุดความคิดความซึมเศร้าก็เกิดจากความคิดความอยากพออยากแล้วไม่ได้ดังใจอยากก็ซึมเศร้า ถ้าเราหยุดความคิดหยุดความอยากได้ความสินเศร้ามันก็จะบันเทาไปแต่มันจะไม่หายจะหายก็ต้องใช้ปัญญาสอนใจว่าอย่าไปอยากให้ยินดีตามมีตามเกิดแล้วก็จะไม่สินเศร้าค่ะำถามจากคุณอูถ้าจิตไม่ติดกับอารมณ์อะไรจะเกิดอะไรขึ้นครับก็ไม่ติดเลก็สบายเเวลาโกรธก็ไม่ติดเวลาโลกก็ไม่ติด